จเจรลตพรทุกท่านนะไม่ได้เจอกันรวมแล้วสองเดือนเทศแล้วเว้นไปเดือนหนึ่งจากวันที่เทศถึงวันนี้ก็สองเดือนสองเดือนเนี่ยถ้าพวกเรารู้หลักของการปฏิบัตินะแม่นยาแล้วถ้าปฏิบัติทำสมควรแก่ทำจริงๆสองเดือนน่าจะได้มักได้ผลบ้าง บางคนเขาเจ็ดวันอะไรเี้ขาก็มีมใช่ไม่มีอยู่ที่ตัวส ม, มาธิฏิถ้าเราสามารถสร้างส ม, มาธิฏฐิขึ้นมาได้หรือไม่สิ่งที่ทำให้พระพุทธศาสนาต่างกับคำสอนอื่น ๆ, ๆก็คือตัวส ม, มาธิฏินั่นแหละตัส ม, มาทิฏิเป็นเนื้อแท้ของพระพุทธศาสนา ลำพังการทำทานการรักษาศีลการนั่งสมาธิเป็นของสาธารณะใครๆก็มีส่วนการเจริญปัญญาจนเกิดสมาทิทฐิมีเฉพาะในคำสอนของพระพุทธเจ้างั้นถ้าสมาธิทิหายไปเหลือการทำทานรักษาศีลนั่งสมาธิ<ม>ก็ต้องถือว่าศาสนาพุทธหายไปแล้ว นะเพราะว่าไม่มีศาสนาพุทธสิ่งเหล่านั้นก็มีอยู่แล้วเังนพวกเราประมาทไม่ได้เลยถ้าพวกเราขาดสมาธิสมาธิขาดช่วงไปก็คือศาสนาพุทธหายไปละสมาธิเป็นของหายากในวัฏฏะที่ยาวนานถ้าเราภาวนาบางคนราลึกชาติไกลไกลได้ จะรู้ว่าคำสอนของพระพุทธเจ้า น, ะนานมากเลยกว่าจะอุบัติขึ้นในโลกสักครั้งหนึ่งเมื่ออุบัติขึ้นมาในโลกแล้วเนี่ยอยู่ไม่นานก็หายไปอย่างสมัยพระพุทธเจ้าก่อนๆโน้นพระสีคีพระเวสภูอะไรเนี่ยท่านสอนสาวกบรรลุมรรคผลเอาไว้จำนวนมากเหมือนกัน แต่พอท่านปรินิพานไปไม่นานาศาสนาท่านก็หายไปเลยลูกศิษย์ลูกหาท่านสืบสาศาสนาต่อไปไม่ได้ม า, าศาสนาของพระพุทธเจ้าในพัตรกัปนี้ตั้งแต่พระกุสันทะโคนากรมณนะพระกัสสปะมาถึงพระพุทธเจ้าของเราสืบต่อได้หลายเจเนเรชั่นอย่างของเราก็สืบต่อ ธรรมะสัมมาทิฏฐิมาสู่โลกได้2 6 0พันรอปีฟังแล้วเหมือนมากที่แท้นิดเดียวประวตาเนี่ยยาวนานมากไม่รู้ว่ากี่ล้านล้านปีจะเกิดพระพุทธเจ้าวงหนึ่งจะเกิดพระพุทธเจ้าขึ้นมาแล้วอยู่ได้สองาพันปีนิดเดียวเลยเทียบกันไม่ติดเลยแหะพวกเราทุกค น, นมีความสำคัญมากในการที่จะรักษาสืบทอดพระพุทธศาสนา การรักษาสืบทอดพระพุทธศาสนาไม่ใช่แค่ว่าถึงวันมาคะบูชาวิสาขาบูช า, า, า, ชาสารหาบูชาก็าไปเบียนเทียนทีหนึ่งเวลาใครบวชก็ไปงานบวชนะชัโยโฮฮิ้วกันออกพรรษาแล้วก็มาทอดกระถินบอกนี่เป็นชาวพุทธอันนี้เป็นแค่การทำทานการถือศีลอะไรเท่านั้นเองนะยังไม่ได้เป็นสมาธิฏิตัวจริง เมื่อต้นเดือนนี่หลวงพ่อไปอินเดียมาไปมาห้าวันเองแหล ะ, ะใครก็ไปนานๆหลวงพ่อไปไหนไม่นานนะไปสี่คืนเองไปก็ได้ไปเห็นาศาสนาสถานพุท ธ, ธสถานทั้งหลายใหญ่โตมาโหรานเลยเป็นกองอิดกองปูนทำไมรักษาไม่ได้มันไม่เหลือชาวพุทธของเราถ้าเรามุ่งไปสิ่งอื่นนะ เราแข่งกันสร้างวัตถุสร้างอะไรเนี่ยบอกว่าเป็นสั ญ, ญลักษณ์ของพุทธศาสนามันก็เป็นสั ญ, ญลักษณ์ได้แต่ถ้ามันไม่เหลือชาวพุทธมันไม่มีใครรักษาพวกเราทุกคนเลยมีความสําคัญพวกเราต้องมาเรียนธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนเพื่อสร้างสมาธิฐิขึ้นมาให้ได้เราถึงจะเป็นชาวพุทธที่แท้จริงาการจะเป็นสร้างสมาธิฐิเราก็ต้องรู้ว่าสมาทิฐิมันเป็นยังไงสมาทิฐิเนี่เป็นการรู้ทุกข รู้สมุทยัยรู้นิโรธรู้มรรคและรู้อริยสัจสีนั่นเองถ้าพวกเราไม่รู้จักอริย ส, สัจสีเราไม่มีสมาธิฏฐิสมมาทิฏฐิก็รู้ต่อไปอีกว่าปัจจุบันนี้เป็นผลของอดีตอดีตเป็นเหตุปัจจุบันเป็นผลรู้ว่าปัจจุบันนี้เป็นเหตุอนาคตเป็นผลรู้ว่า กระบวนการของเหตุของผลนั้นสืบต่อสัมพันธ์กันไปการสืบต่อสัมพันธ์กันนั้นสืบต่อวนไปนะในลักษณะที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทเังนั้นสมาทิฏฐินั้นจะมีแปดอย่างมีเรื่องของการรู้ทุกข์รู้สมุทัยรู้นิโรธรู้มรรครู้อดีตรู้อนาคตรู้อดีตและอนาคตรู้ปฏิจจสมุปบาทรู้อดีตก็คือรู้ว่าปัจจุบันนั้ มันมาจากเหตุในอดีตเราไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆทุกสิ่งทุกอย่างที่เราประสบอยู่ทุกวันนี้ไม่มีคาว่าฟลุปไม่มีคาว่าบังเอิญไม่มีคาว่าเฮงนะไม่มีคาว่าสวยมีแต่มีแต่ตตเหตุถ้าใจของเราเองไม่เข้าใจว่าสิ่งทั้งหลายมาจากเหตุก็ยังเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่หรือเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราทำทุกวันนี้จะส่งผลไปสู่อนาคต อันนี้ก็เป็นมิจฉาทิฏฐนะิไม่รู้ว่ามันมีความสัมพันธ์สืบเนื่องกันมามั น, นก็เป็นมิจฉาทิฏฐิเราไม่เห็นกระบวนการที่จิตใจของเราปรุงความทุกข์ขึ้นมาแผรเผวนตัวเองนี่ก็เป็นมิจฉาทิฏฐิถ้าพูดให้ทั้งหมดน้ำก็ยาวนะแต่ถ้าเรารู้จักอริยสัจสี่ให้ถ่องแท้ให้ความจริงสี่อย่างที่เหลือเราก็จะเข้าใจไปด้วย นั้นสิ่งที่พวกเราจะต้องรักษาสืบทอดเอาไว้ให้ได้นะก็คือความรู้ในเรื่องอริยสัจเพราะพุทธเจ้าตรัสอบอกว่าถ้าตรับใดเรายังไม่รู้แจ้งอริยสัจเราอยากจะต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะอันยาวนานหาเงื่อนต้นเงื่อนปลายนี่ไม่เจอเวียนไปนานมากนะจะไม่รู้ว่าจุดตั้งต้นอยู่ที่ไหนจุดลงท้ายไปอยู่ที่ไหนการสร้างสมาธิที่ บืงต้นก็สร้างด้วยการอ่านการฟังอย่างมาฟังหลวงพ่อพูดสอนทีกส็สอนเรื่องนั้นสอนเรื่องนี้แต่ทั้งหมดนั้นอะมุ่งมาสู่การสร้างสมาธิฏฐิอย่างบางทีหลวงพ่อก็สอนวิธีรักษาศีลการรักษาศีลที่ดีต้องรักษาใจของเรามีสติรักษาจิตศีลอัตโนมัติก็จะเกิดบางทีหลวงพ่อก็สอนเรื่องการทําสมาธิสมาธิให้จิตสงบ ทำด้วยการน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์มันเดียวที่มีความสุขอย่างต่อเนื่องการจะทำสมาธิที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเพื่อเอาไว้ทำพิปัสนากรรมฐานให้ทำโดยการทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันเวลาจิตมันหลงไปมันหลงไปคิดมันหลงไปเพ่งคอยรู้ทันโดยเฉพาะการหลงไปคิด จิตไหลไปคิดทั้งวันจิตไหลไปคิดทั้งคืนถ้าเรามีสติรู้ทันจิตของเราก็จะตื่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตตั้งมั่นจิตถึงฐานอัตโนมัติขึ้นมาบางทีหลวงพ่อก็สอนเรื่องการเจริญปัญญาวิธีรู้รูปรู้ยังไงการรู้รูปนะมีจิตตั้งมั่นเป็นคนรู้รู้ลงปัจจุบันขณะขณะนี้รูปเป็นยังไงรู้สึกไป วิถีรู้นามธรรมรู้ยังไงนะก็มีจิตตั้งมั่นเป็นคนดูรู้นามธรรมที่ดับไปสดๆร้อนๆอย่างเห็นความโลภความโกรธความหลงทันทีที่สติเกิดนะความโลภความโกรธความหลงไม่มีแล้วนะงั้นภาวนามไม่ใช่พาวนาละกิเลสเพราะว่าทันทีที่สติเกิดก็ไม่มีกิเลสให้ละแล้วเนี่ยหลวงพ่อสอนไว้เยอะแยะนะแต่ทั้งหมดเนี่ยก็มุ่งมาสู่การสร้าง ส, างสมาทิฏฐินั่นเอง เรามีศีลเพื่ออะไรเรามีศีลเพื่อให้จิตของเราสงบจิตสงบแล้วไม่พอต้องมาฝึกให้จิตตั้งมั่นถ้าเราไม่มีศีลจิตของเราก็ไม่สงบจิตของเราก็ไม่ตั้งมั่นถ้าจิตของเราไม่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเราก็ทำมิปัสสนากรรมฐานเราก็เจริญปัญญาไม่ได้นะถ้าเราเจริญปัญญาไม่ได้เราก็ไม่เกิดตัวสมาทิฐิ การที่เรามาหัดทำวิปัสสนากรรมฐานมาเจริญปัญญาเรียนรู้ความจริงของรูปธรรมนามธรรมนี่ก็คือวิธีที่จะสร้างสมาทิฏฐิขึ้นในใจของเราสมาทิฏฐิไม่ใช่คิดเอาะลาดคเนเอานะแต่ต้องเราต้องเข้าไปเห็นความจริงของรูปธรรมของนามธรรมทั้งหลายที่มันประกอบกันขึ้นมาเป็นตัวเราเพราะฉะนั้นต้องมาสร้างสมาทิฏินะ คนไหนยังไม่เคยถือศีลตั้งใจรักษาศีลไว้ก่อนต่อมาก็พยายามพัฒนาสติขึ้นมาสตินั้นเป็นเครื่องมือสำคัญมากถ้าไม่มีสติไม่มีศีลถ้าไม่มีสติไม่มีสมาธิถ้าไม่มีสติเจริญปัญญาไม่ได้สตินี่เป็นธรรมที่มีอุปการะมากเราต้องพัฒนาสติขึ้นมาสติเป็นตัวรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นในกายในใจเป็นแค่ตัวรู้ทันนะ ไม่เหมือนตัวปัญญาปัญญาเป็นตัวเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจของรูปของนามสติเป็นตัวรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นในกายในใจในรูปในนามมันแค่รู้ทันเฉยๆนะแต่มันยังไม่เข้าใจแต่ว่าก่อนจะเข้าใจได้ก็ต้องรู้ให้ทันซะก่อนสตินั้นอยู่ดีๆไม่เกิดหรอกนะสติเป็นอนัตตาเราจะสั่งให้เกิดก็ไม่ได้จะอ้อนวอนให้เกิดก็ไม่ได้ สติเกิดเองถ้ามีเหตุของสตินะเหตุของสตินั้นท่านก็สอนเอาไว้ชัดเจนนะเหตุของสติคือทีละสัญญาการที่จิตจาสภาวะธรรมได้แม่นยําเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติจิตจะจำสภาวะธรรมได้แม่นยําถ้าเราคอยดูสภาวะธรรมบ่อยๆเหมือนอย่างเราจะจำใครสักคนหนึ่งให้แม่นนะเราต้องเห็นหน้าเขาบ่อยๆคุยกับเขาบ่อยๆคลุกคลีกับเขาบ่อยๆเราก็จำเขาได้แม่น พอคนนี้มาเราก็ไม่ต้องนึกนะเราก็รู้เลยว่าคนนี้มาแล้วนกะารจะให้เกิดสติก็เหมือนกันนะเราต้องหัดรู้สภาวะไปเรื่อยๆหายใจเข้ารู้สึกตัวหายใจออกรู้สึกตัวยืนรู้สึกตัวเดินรู้สึกตัวนั่งรู้สึกตัวนอนรู้สึกตัวนะมีความสุขมีความทุกข์เกิดขึ้นในกายก็รู้ทันมันมีความสุขมีความทุกข์เกิดขึ้นในร่างกายแล้วมีความสุขมีความทุกข์มีความเฉยๆเกิดขึ้นในจิตใจ ก็ร like, ู <Then> ้ว่ามีความสุขมีความทุกข์มีความเฉยๆเกิดขึ้นในจิตใจเนี่ยหัดรู้ไปเรื่อยๆนะหรือว่ามีความโลภเกิดขึ้นในใจก็รู้ทันความโลภมันหายไปก็รู้ทันความโกรธเกิดขึ้นก็รู้ทันความโกรธหายไปก็รู้ทันความหลงเกิดขึ้นก็รู้ทันความรู้สึกตัวเกิดขึ้นก็รู้ทันจิตใจฟุ้งซ่านก็รู้ทันจิตใจหดหู่ก็รู้ทันจิตใจเป็นยังไงก็รู้ทันเรื่อยๆ การที่เราคอยรู้บ่อยๆนะต่อไปจิตจะจำสภาวะได้แม่นอย่างเช่นเรารู้สึกลมหายใจออกรู้สึกลมหายใจเข้ารู้สึกยืนเดินนั่งนอนรู้สึกเนี่ยนะนะแค่ทำแค่นี้ต่อไปเวลาเราเผลอหรือเกิดกิเลสขึ้นมาเราไม่รู้ทันย่างพอเกิดกิเลสขึ้นมาเนี่ยเราเคยฝึกลมหายใจเราจะเห็นเลว่าลมหายใจมันเปลี่ยนจังหวะไปทีแรกมันหายใจสบายสบาย พอราคะเกิดพอโทสะเกิดนะลมหายใจมันแรงมันเร็วมันสั้นขึ้นนะกระโชกโคกหักขึ้นสติก็ระลึกได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของลมหายใจพอสติรู้ทันลมหายใจได้ก็เข้ามารู้ทันจิตใจได้ว่าเนี่จิตใจมันเปลี่ยนแล้วลมก็เลยเปลี่ยนพราร่างกายนั้นเปลี่ยนไปตามที่จิตสั่งนะก็จะเห็นว่าเนี่ยร่างกายก็เปลี่ยนเพราะว่าจิตมันสั่งร่างกายไม่ได้เปลี่ยนเองนะ เนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูไปหรือเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนบ่อยๆ ย, ยืนก็รู้สึกนั่งก็รู้สึกเดินก็รู้สึกนอนก็รู้สึกนะต่อมาพอเราขยับตัวเรากําลังเผลอๆ อ, อยู่นะเกิดขยับตัวนิดเดียวเช่นเรานั่งทําอะไรเพลินๆยุงมากัดแล้วนะเจ็บมือของเราก็เคลื่อนที่จะเป็นตบยุงเนะี่ยพอมือมือเราไหวตัวแวบเท่านะสติมันรู้ทันเลยว่านี่มันเห็นรูปที่กําลังเคลื่อนไหวอ ย, อยู่เนี่ยมันก็ตั้งหลักขึ้นมาได้นะ ตกยุงกำลังจะตกสติเกิดขึ้นมาก็หยุดเอาไว้ได้ทันหรือบางทีหยุดไม่ทันนะสติเกิดแล้วแต่ว่าร่างกายเนี่ยมันถูกสั่งงานด้วยจิตดวงก่อนที่ไม่มีสติมันเบรกไม่ทั น, นรูปนี้ยังทำงานไปตามที่จิตดวงเก่าสั่งอยู่เพราะยุงก็แบนไปเป็นกรรมของยุงนะเป็นกรรมเก่าของยุงเป็นกรรมใหม่ของเรานะนะ เนี่ยถ้าเราหัดฝึกนะเรามีสติหายใจเข้าหายใจออกมีสติยืนเดินนั่งนอนมีสติต่อไปเวลาร่างกายเคลื่อนไหวเราก็รู้สึกเวลาจิตใจเคลื่อนไหวก็รู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวก็เพราะจิตมันสั่งนะหรือเรามาดูความสุขความทุกข์เกิดขึ้นในร่างกายดูความสุขความทุกข์เกิดขึ้นในจิตใจต่อไปเวลามีร่างกายมีความสุขมีความทุกข์กลังเผลอๆอยู่นะยู่มากัดเจ็บมีมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นทางกาย สติก็ระลึกขึ้นมาได้นะไม่ลืมตัวรู้สึกตัวขึ้นมาได้นะว่ามันเจ็บขึ้นมาแล้วก็วเกิดความรู้สึกตัวนะอย่างนี้สติมันเกิดหรือว่ามีโลภโกรธหลงเราหัดดูเรื่อยๆจิตมันโลภเราคอยรู้จิตมันโกรธเราคอยรู้จิตมันหลงเราคอยรู้จิตฟุ้งซ่านเราคอยรู้จิตหดหู่เราคอยรู้รู้บ่อยๆต่อไปพอความรู้สึกอะไรแปลกปลอมขึ้นในจิตนีดเดียวสติระลึกได้เลยนะ อย่างพอเราเห็นหน้าคนคนหนึ่งเดินมาเขายัางไม่ทันพูดกับเราเลยความโกรธก็ปุดขึ้นมาแล้วเราก็เห็นความโกรธปุดขึ้นมาถ้าเห็นความโกรธปุดขึ้นมาแล้วความโกรธก็ครอบงำจิตไม่ได้นะสีนาโตโนมัตมันก็เกิดขึ้นเราก็ไม่ไปว่าเขาไม่ไปตีเขาไม่ไปด่าเขานะไม่ทำร้ายเขาไม่แกล้งทำลายทรัพย์สินเขาไม่แกล้งเป็นชู้กับลูกเมี ย, เ, มยเขาอะไรเงี้ยหรือความโลบเกิดขึ้นนะเรามีสติรูร้ทันพุกบสีนอตโนมัตมก็เกิด เราจะไม่ทำบาปมากุศลทางกายทางวาจาเพราะว่าความโลภอย่างบางคนมีความโลภเห็นคนเขาใส่สร้อยทองสวยนะใส่แหวนเพชรมีโทรศัพท์มือถือรุ่นที่เราอยากได้ใจมีความโลภขึ้นมาสติไม่ทันไปแย่งไปชิงเขาอะไรเงี้ยนะเนี่ยถ้าเราคอยรู้ทันนะรู้ทันกิเลสอะไรเกิดขึ้นเราคอยรู้หัดรู้หัดหดูเขาเราไปด้วย การที่เราฝึกสตินะจกระทั้งเราเข้ามารู้ทันกิเลส ท, ที่เกิดขึ้นที่จิตเนะี่ยศีลอัตโนมัติมันจะเกิดขึ้นคนทําผิดศีลได้ก็เพราะว่ากิเลสครอบงาจิตถ้ากิเลสครอบงาจิตไม่ได้คนก็ไม่ทําผิดศีลจิตใจเราก็เปลี่ยนแปลงจิตใจก็มีเหตุเหมือนกันจิตเราเปลี่ยนเพราะอะไรเพราะตามองเห็นจิตก็เปลี่ยนหูได้ยินเสียงจิตก็เปลี่ยนจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสใจคิดนึกจิตก็เปลี่ยน นะเป็นจิตสุขจิตทุกข์จิตดีจิตชั่วไม่ว่าจิตสุขจิตทุกข์จิตดีจิตชั่วก็ต้องมีเหตุนะอยู่ๆไม่เกิดหรอกต้องมีเหตุให้เกิดมีผัสสะเกิดขึ้นมีการกระทบอารมณ์เกิดขึ้นจิตก็ปรุงต่อปรุงไปตามอนุสัยปรุงไปตามความเคยชินกนะ็ปรุงสารพัด ข, ขึ้นมาเพราะสิ่งทั้งหลายมีเหตุทั้งสิ้นเนยไม่มีเกิดลอยๆหรอกเนี่ยืัดรู้หัดดูไปด้วยนะศีลของเราก็จะดีขึ้นนะ เวลาจะทําผิดศีลเนี่ยมันจะเกิดฮิริอตัตตาปากจะละอายใจที่จะทําผิดศีลมันจะเกรงกลัวผลของการทําบาปอากรุณ์รู้ทันทีเลยถ้าทําบาปอากุศลไปจิตใจของเราเศร้าหมองตำรวจอาจจะไม่เห็นนะแต่จิตใจของเราไม่มีความสุขจิตใจเศร้าหมองเรืยกเรามาค่อยๆฝึกนะเรามีสติคอยรู้ทันความเคลื่อนไหวของกายของใจบ่อยๆ แล้วทํำยังไงจะเกิดสมาธิมีสติแล้วก็มีสมาธิได้ถ้าไม่มีสติก็ไม่มีสมาธิถ้าเราจะใช้สมาธิให้จิตสงบสมาธิมีสองชนิดสมาธิชนิดที่หนึ่งจิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวเราก็น้อมสติของเรานี่แหละไปจับอยู่ที่อารมณ์เดียวให้สติของเราไปจดจ่ออยู่กับพุทโธสติของเราไปจดจ่ออยู่กับลมหายใจสติไปจดจ่อกับท้องของยุบ จิตใจไม่วอกแวกไปที่อื่นจิตก็สงบอยู่ในอารมณเดียวมีความสุขมีความสงบขึ้นมาเคล็ดลับของการทําความสงบต้องทําให้สบายถ้าจิตเครียดจิตจะไม่สงบเหมือนอย่างเราต้องการนอนหลับเนี้ยนอนหลับกับการนั่งสมาธิมีความคล้ายกันบางอย่างนะบางคนทําสมาธิไม่เป็นก็ใช้วิธีนอนเอานะบางคนทําสมาธิเก่งนะแต่บางช่วงเข้าสมาธิไม่ได้เขาใช้วิธีนอนเอาก็มีหลวงพ่อเคยรู้จัก มีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งลูกศิลป์หลวงปู่ดุลนะท่านสิ้นไปแล้วนะท่านบอกว่าเนี่ยท่านต้องคุยกับโยมท่านเบื่อหน่ายมากท่านอยากภาวนานะคุยกับโยมซะเหนื่อยเลยโยมคุยไม่ยอมเลิกนะคุยไปคุยไปแนละ้วท่านเหนื่อยพอโยมกลับไปนะถามท่านแล้วหลวงพ่อทํำยังไงบอกเราก็นอนสแล้วนั่งสมาธิก็ไม่ไหวแล้วเราฟุ้งนะท่านนอนไปตื่นหนึ่งนะก็ตื่นขึ้นมานะจิตใจสดชื่นมาภาวนาต่อเนะี่ย เราอย่าเอาอันนี้เป็นข้ออ้างนะเหนือก็พากันนอนแล้วก็บอกว่าเป็นแทนการฝึกสมาธินะใช้ไม่ได้เท่าไหร่หรอกไม่ดีเท่าไหร่หรอกฝึกให้มันถูกต้องซะดีกว่าวิธีที่จะฝึกสมาธินะั้มันก็คล้ายๆนอนหลับอย่างเราจะนอนหลับเนี่ยต้องสบายใจถึงจะนอนหลับเวลากลุ่มใจนอนไม่หลับนึกออกไหมเวลากลุ้มใจนอนไม่หลับเวลาอยากให้หลับมันก็ไม่หลับนึกออกไหม แต่ว่ากล่าวว่าจะไม่ให้หลับนะจะรู้สึกไปเคลิมเคลิมแม้คืนนี้จะภาวนาโต้รุ่งหายใจไปสองทีหลับไปแล้วก็สบายใจนะงั้นคนเราจะนอนหลับนะสบายใจมันก็หลับนะจะให้จิตสงบก็คล้ายๆกันไม่คล้ายกันตรงนี้แหละถ้าเราอยากให้จิตของเราสงบนะก็หาจิตหาอารมณ์ที่มีความสุขมาให้จิตรู้คนไหนพุทโธแล้วมีความสุขก็อยู่กับพุทโธคนไหนรู้ลมหายใจแล้วมีความสุขไปอยู่กับลมหายใจ คนไหนดูท้องของยุกมีความสุขก็ไปอยู่กับท้องนะคนไหนขยับมืออย่างหลวงพ่อเทียนแล้วมีความสุขก็ไปขยับมือเอาคนไหนดูจิตแล้วมีความสุขก็ดูเอานะดูไปสบายๆไม่ต้องสนใจเรื่องไตรลักษณ์อะไรหรอกนะไม่ต้องสนใจเรื่องการเจริญปัญญารู้อยู่ในอารมณ์มันเดียวอย่างมีความสุขแป๊บเดียวก็สงบแนละ้สงบแล้วถ้าสติตามไม่ทันมันจะหลับไปนะฉะนั้นต้องมีสติอยู่นอนหลับกับการ ทำสมาธิมัต่างกันตรงที่เรามีสตินี่แหละถ้าทำความสงบขึ้นมาแล้วก็สติไม่พอก็นั่งหลับเคยเห็นคนนั่งสมาธิแล้วก็อย่างนี้ไหมหลับไปหลับมานะขอพับไปพับมาบอกคำนับพระพุทธเจ้าคำนับพระธรรมพระสงฆ์นะจริงขาดสตินะงั้นเราคอยฝึกสตินะฝึกสติแล้วให้จิตอยู่ในอารมันเดียวที่มีความสุขอย่างต่อเนื่องแต่ไม่ให้ขาดสติ จิตก็จะสงบสมาธิอีกชนิดนึ่งก็อาศัยสติอีกแหละนะสมาธิที่จิตตั้งมั่นจิตที่ตั้งมั่นมันตรงข้ามกับจิตที่ไหลไปจิตที่ฟุ้งซ่านมันตรงข้ามกับจิตที่ออกนอกหนะลวงปู่ ด, ดูลเรียกจิตส่งออกนอกจริงก็คือจิตมีอุทธัจจะมีความฟุ้งซ่านฟุ้งไปทางตาทางหูทางจมกูกทางลิ้นทางกายทางใจฟุ้งไปทางใจก็ไปคิดไปนึกไปปรุงไปแต่ง จิตที่ฟุ้งซ่านนะมันมีความฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านเป็นกิเลสเป็นโมหะชื่ออุททัตจักถ้าเมื่อไหร่เรามีสติรู้ทันความฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านจะดับอัตโนมัติเพราะที่ใดมีสติที่นั้นจะไม่มีกิเลสที่ใดมีกิเลสที่นั้นจะไม่มีสติสตสตเห็นไหมสติสําคัญขนาดนี้นะถ้าขาดสติมรเมื่อไหร่แล้วก็จิตไม่ดีแล้วไม่ใช่กุศลแล้วจิต ท, ที่เป็นกุศลต้องมีสติเสมอให้เราอาศัยสตินะคอยรู้ทัน จิตที่ไหลไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจถ้าจิตไหลไปเรามีสติรู้ทันจิตยิ่จะตั้งมัน่นอัตโนมัติแต่การที่จะมาฝึกทีเดียว6ช่องเนี่ยมันฝึกยากนะครูบาอาจารย์ก็ออกอุบายให้มาฝึกที่จิต ด, ดวงเดียวนะเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายกระทบอารมณ์แล้วจิตมันทํางานจิตมันจะปลุงขึ้นมานะตาหูจมูกลิ้นกายกระทบนะอย่างตามองเห็นรูปจิตก็ปลุงขึ้นมา ปุงสุขปุงทุกข์ปุงดีป ร, d, ปรงุงชั่วเราก็นะหรือหนีไกคิดอะไรเงี hide, <Evet. S 1> you, ้ยทุกอย่างมันจะมารวมลงที่จิตนะนั้นท่านเลยสอนบอกว่าไม่ต้องไปดูทั้งหช่องหรอกดูอยู่ช่องเดียวช่องที่จิตนี่แหละดูอยู่ช่องที่จิตเนี่ยเวลาที่จิตมันเคลื่อนไปให้เรามีสติรู้ทันนะงั้นทั้งวันจะมีจิตอยู่สองชนิดเองคือจิตที่ตั้งมั่นกับจิตที่เคลื่อนจิตที่ตั้งมั่นกับจิตที่เคลื่อนทัานดูอย่างนี้จิตหนีไกคิด จิตเคลื like ่อนไปคิดเนี่ยเป็นจิตที่เกิดบ่อยที่สุดจิตเคลื่อนไปดูเนี่ยเป็นอันดับสองสำหรับคนที่ตาไม่บอดนะจิตเคลื่อนไปฟังเนี่ยเป็นอันดับสามนะมีมากเป็นอันดับสามสำหรับคนที่หูไม่หนวกนะส่วนจิตที่ไปรู้รสไปได้กลิ่นไปรู้สัมผัสทางกายอะพวกนี้ลดหลั่นกันลงไปน้อยลงไปจิตที่ไปคิดเนี่ยเกิดบ่อยที่สุดเกิดทั้งวันเกิดทั้งคืนเมื่อวานก็มีพระองค์หนึ่งภาวนาเก่งนะไปส่งกันบ้านหงพ่อ ท่านบอกท่านเห็นแล้วล่ะว่าความฝันคืออะไรความฝันคือความคิดท่านเห็นอย่างนี้นะบอกผมเห็นถูกไหมบอกเห็นถูกแล้วเลยถามท่านต่อแล้วเห็นไหมว่าความคิดคือความฝันตอนตื่นเออยังไม่ได้ดูอันนี้นะงั้นคนเราคิดทั้งวันฝันทั้งวันทั้งคืนอะไรนะฝันทั้งหลับทั้งตื่นอยู่นะคือจิตคิดถ้าเรามีสติรู้ทันจิตที่ไหลไปคิดนะจิตจะตื่นอัตโนมัติเลยเพราะจิตไหลไปคิดก็คือจิตหลับจิตฝัน ท, ทันทีที่เรารู้ว่าจิตหนีไปคิดจิตก็จะตื่นแค่นี้เองอาศัยสติรู้าทันจิตที่หนีไปคิดนั่นแะเราจะได้จิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถัดจากนั้นเราก็มาพัฒนาปัญญาให้เกิดอาศัยสติอีกแหละมีสติคอยรู้ความเปลี่ยนแปลงของกายของใจไปนะมีใจตั้งมั่นเป็นคนดูนี่ต้องมีสมาธิที่ตั้งมั่นเป็นคนดูประกอบ ด, ด้วยลาพังมีสติอย่างเดียวจะไม่เกิดปัญญา ต้องมีสติด้วยแล้วมีสมาธิที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยนะปัญญาถึงจะเกิดอาศัยสองตัวเนี้ช่วยกันนะถ้าไม่มีสมาธิไม่มีจิตที่ตั้งมั่นปัญญาไม่เกิดถึงจะมีสติปัญญาก็ไม่เกิดจะได้แต่สมถะอย่างเดียวเช่นเราดูท้องพองยุบนะจิตเราไปจ่ออยู่ที่ท้องเลยจิตเราไม่ตั้งมั่นเป็นคนดูไม่เห็นว่าร่างกายที่พองร่างกายที่ยุบเป็นของถูกดูจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่ต่างหาก มันจะไม่เกิดปัญญาแต่มันจะเกิดสมถะเกิดความสงบคือพอสติไประลึกท้องของยบจิตไปอยู่ที่ท้องนิ่งอยู่ที่ท้องสงบอยู่ในอารมณ์เดียวก็คือการทําสมถะกรรมฐานให้จิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวไปรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกแต่จิตไม่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนะสติไประลึกรูร้ลมนะจิตมันจะรวมเข้ากับลมไปรวมเข้าด้วยกันเป็นหนึ่งจิตไปนิ่งอยู่ในอารมณ์เดียวก็เป็นสมถะกรรมฐาน งั้นตัวที่จะทำให้เกิดวิปัสสนากรรมฐานได้นะนอกจากสติรู้รูปรู้นามรู้กายรู้ใจแล้วต้องมีจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดู ด, ด้วยในอภิธรรมถึงสอนบอกว่าสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญานะทีละสัญญาความที่จิตจําสภาวะได้แม่นเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติส่วนสมาธิสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญา เราอาศัยสตินะมาพัฒนาให้มีศีลให้มีสมาธิจิตไหลไปคิดรู้ทันจิตไหลไปคิดรู้ทันเราก็ได้จิตที่มีสมาธิที่ถูกต้องขึ้นมาถัดจากนั้นเราก็มีสติรู้รูป ร, รู้นามรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่ไม่เข้าไปแทรกแซงอารมณ์จิตทำตัวเป็นแค่คนดูไม่ใช่ผู้แสดงนะเป็นคนดูเฉย เห็นร่างกายแสดงไปเห็นความสุขความทุกข์แสดงละครให้ดูเห็นความปรุงดีปรุงชั่วคือสังขารทั้งหลายมันทำงานของมันไปเราเห็นขันทั้งหลายเนี่ยทำงานนะจิตเป็นแค่คนดูจิตอย่าไปแทรกแซงขันธรรมดานั้นขันมันทำงานตลอดเวลาอยู่แล้วนะแล้วก็มันต่างคนต่างทำหน้าที่ของมันแต่ว่าจิตนี่แหละที่ไม่ได้รับการอบรมให้ดีชอบเข้าไปแทรกแซงขัน อย่างขันมันมีหน้าที่แก่มันต้องแก่จิตก็ไปแทรกแซงไม่อยากให้แก่ขันมันต้องเจ็บนะก็ไปแทรกแซงจิตก็เป็นคนไม่อยากให้มันเจ็บไม่อยากให้มันตายจิตใจเนี่ยต้องกระทบอารมณ์ที่พอใจบ้างไม่พอใจบ้างนจิตก็เข้าไปแทรกแซงจะเอาแต่ความสุขจะไม่เอาความทุกข์จะเอาแต่กุศลจะไม่เอาอกุศลจิตเป็นตัวคอยไปยุ่งกับเ้าหมดนั่นเรามาควบคุมจิตไม่ให้มันไปยุ่งกับเขาให้มันมาเป็นแค่คนดู นะฝึกจิตให้เป็นคนดูซะก่อนเราถึงจะเห็นความจริงของกายของใจของรูปของนามของธาตุของขันไดนะ์มาฝึกจิตไหลไปคิดรู้ทันจิตไหลไปคิดรู้ทันฝึกอย่างนี้มากมนะจิตจะเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมาเมื่อจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมาแล้วเราก็ดูขันแต่ละขันเมื่อจิตเป็นผู้รู้ว่าร่างกายเคลื่อนไหวสติรู้ทันร่างกายที่เคลื่อนไหวจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูเพราะมีสมาธิที่ถูกต้องปัญญาก็เกิดจะเห็นว่าร่างกายนั้นไม่เที่ยง นะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปแล้วเมื่อกี้นี้หายใจเข้าตอนนี้หายใจออกเมื่อกี้หายใจออกตอนนี้หายใจเข้าเมื่อกี้ยืนเดี๋ยวนี้นั่งอะไรเนี้ยเปลี่ยนไปเรื่อยนะร่างกายหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปเนะนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูาดเห็นแต่ของไม่เที่ยงนะแล้วก็ดูต่อไปอีกก็เห็นร่างกายนี้มีแต่ความทุกข์บีบคั้นอยู่นั่งก็ปวดทัวเมื่อยนะยืนเดินนั่งนอนมีแต่ความปวดเมื่อยไล่หลังมาตลอด เราก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถหนีความทุกข์ไปเรื่อยๆนั่งก็ทุกข์นั่งก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถเดินมากก็ทุกข์ก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถนอนมากก็ทุกข์ก็ต้องพลิกไปพลิกมาเนี่ยร่างกายเนี่ยถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาหายใจเข้าก็มีความทุกข์หายใจออกก็มีความทุกข์ลองหายใจเข้านานๆเดี๋ยวก็รู้ว่าทุกข์แค่ไหนทุกข์ที่สุดเลยนะทุกข์ถึงตายเลยนะหรือหายใจออกไปเรื่อยๆมันทุกข์นะ อยากรู้ก็ลองหายใจออกไปเรื่อยๆมันทุกทุกถึงตายเหมือนกันเนี่ยมันทุกทุกขนาดนั้นนะเนี่ยเฝ้ารู้ลงไปนะร่างกายเต็มไปด้วยของทุกข์ไม่ใช่ของดีของพิเศษร่างกายเป็นวัตถุธาตุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไห ล, ไหลออกเช่นหายใจเข้าหายใจออกกินอาหารแล้วก็ขับถ่ายนะดื่มน้ําเข้าไปแล้วก็เป็นเหงื่อบ้างเป็นปัสสาวะบ้างอะไรบ้างนะมีธาตุหมุนอยู่ทั้งวันทั้งคืนนะเป็นแค่วัตถุไม่ใช่ตัวตนอะไรของเราหรอก เนี่ยเฝ้ารู้ลงไปในกายน่ยปัญญามันก็เกิดมันก็เห็นในร่างกายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยมีสติระลึกรู้กายเห็นความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายมีจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นคนดูก็จะเห็นความจริงว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเพราะเห็นตามความเป็นจริงก็จะเบื่อหน่ายร่างกายนี้ไม่ใช่ของดีของวิเศษที่ผ่านมาในชีวิตนี้เรารักร่างกายมากเราหวงแหน เป็นอะไรนิดหนึ่งเราก็กลุ้มใจตีนกาจะขึ้นก็กลุ้มใจนะเกิดอะไรนิ ด, นดหน่อยๆน่อมีสิวขึ้นตอนเด็กๆมีสิวขึ้นมาอยากเป็นสาวแต่พอสิวขึ้นไม่ชอบนะไม่รู้ว่ามันเป็นของคู่กันนะเนี่ยถ้าเราคอยรู้ทันลงไปนะั่นเห็นร่างกายนี้หน่าเบื่อหน่ายมีแต่พารามากมายเลยตื่นเช้าขึ้นมาต้องดูแลมันตลอดเวลานะสารพัดเลยจนถึงนอนหลับตอนนอนก็ต้องดูแลมันต้องนอนให้สบายอย่างโ น, น้นอย่างนี้ มีภาระมากมายเลยเพอเห็นตามความเป็นจริงจิตจะเบื่อพอจิตจะเบื่อหนายคลายความยึดถือออกไปนะพอหมดความยึดถือร่างกายเนี่ยเราจะไม่ทุกข์แล้วร่างกายเป็นยังไงเราไม่ทุกข์แต่ว่าเราก็ดูแลร่างกายเป็นตามหน้าที่เพื่อเอาร่างกายไว้ทําประโยชน์ทั้งทางโลกทางธรรมนะดูแลมันไปแต่ถ้ามันจะแปรปรวนควบคุมไม่ได้ขึ้นมาจะแก่จะเจ็บจะตายนะขึ้นมาเนี่ยเราจะไม่ทุกข์ร้อนเลยเพราะเราเห็นความจริงแล้วร่างกายมันเป็นอย่างนี้แหละ ก็เห็นตามความเป็นจริงนะมันจะเบื่อหน่ายคลายความยึดถือออกไปถ้าเราหมดความยึดถือในร่างกายอย่างแท้จริงนะมันเป็นภูมิธรรมของพระนาคามีนะมาดูจิตใจก็จะเห็นอีกนะสติะระลึกรู้เช่นความสุขเกิดขึ้นเราระลึกรู้จิตตั้งมั่นเป็นคนดูมันจะเห็นเลยว่าความสุขกับจิตใจนั้นเป็นคนละอันกั น, นความสุขกับร่างกายก็เป็นคนละอันกั น, นความสุขเป็นของสั่งไม่ได้นะ สั่งให้ร่างกายเป็นสุขก็ไม่ได้สั่งให้จิตใจเป็นสุขก็ไม่ได้เมื่อเกิดความสุขแล้วสั่งให้อยู่ตลอดการห้ามหายไปก็ห้ามไม่ได้เนี่ยเราดูไปเรื่อยนะความสุขก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ไม่สุขนะความสุขทนอยู่ได้ไม่นานเดี๋ยวก็หายไปนะความสุขก็บังคับไม่ได้สั่งไม่ได้นี่เรื่ออนัตตาความสุขก็ตกอยู่ใต้อนิจังทุกขังอนัตตาเราจะเห็นมันได้เมื่อเรามีสติระลึกรู้ความสุขมีจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่ เวลาที่กุศลกุศลเกิดขึ้นเช่นความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นเรามีสติรู้ทันความโกรธเกิดขึ้นเรารู้ทันความโลภเกิดขึ้นเรารู้ทันความฟุ้งซ่านความโหดหูเกิดขึ้นรู้ทันความลังเลสงสัยเกิดขึ้นเรารู้ทันม่กิเลสอะไรเกิดขึ้นเรามีสติรู้ทันเรื่อยๆไปจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่นะก็จะเห็นว่ากิเลสทั้งหลายหรือกุศลทั้งหลายกับจิตนั้นเป็นคนละอันกัน จิต wing, ไม่เคยโกรธเลยนะความโกรธกับจิต els, เป็นคนละอันกันจิตเป็นคนรู้ว่าโกรธนะถ้าเฝ้ารู้เฝ้าดูไปก็จะเห็นนะความโกรธก็ไม่เที่ยงนะมันโกรธขึ้นมาได้มันก็หายได้นะความโลภก็ไม่เที่ยงโลภใต้ก็หายโลภได้นะความหลงก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็รู้ความฟุ้งซ่านก็ไม่เที่ยงนะความสงบก็ไม่เที่ยงมีแต่ความไม่เที่ยงทั้งหมดเลย แล้วก็เห็นนะมันถูกบีบคั้นตลอดเวลาความสุขก็ถูกบีบคั้นเพื่อจะให้สลายตัวอยู่ตลอดเวลานะความทุกข์ก็ถูกบีบคั้นให้สลายตัวโลภโกรธลงก็ถูกบีบคั้นให้สลายตัวกนะารที่ถูกบีบคั้นอยู่นี่เรียกว่ามันเป็นทุกข์นทนอยู่ไม่ได้มันถูกบีบคั้นมันไม่เป็นไจ ต, ตามใจสั่งสั่งว่าอย่ากโกรธมันก็จะโกรธนะสั่งว่าอย่าเสียใจมันก็เสียใจ ใ, ใครเคยอกหักมีไหมในห้องนี้ยกมือสินะ น้อยกว่าความเป็นจริงบางคนบอกว่าที่ไม่ยกเพราะว่าหลังเลใจยกเนี่ยมันไม่พอมันอกหักหลายทีถ้านะ้ต้องกางนิ้วนี่อกหักได้สิบครั้งนะเวลาอกหักมันเสียใจใช่ไหมห้ามได้ไม้มอย่าเสียใจเวลาเพื่อนอกหักเนี่ยเราชอบไปปลอบเพื่อนอย่าเสียใจไปเลยเธอนะ ถ้ามาปรับหลวงพ่ออย่างนี้หลวงพ่อจะบอกจิตเป็นอนัตตาจิตจะเสียใจใครจะห้ามได้ไหบอกว่าอย่าเสียใจมันก็เสียใจอย่าไปคิดมันเลยเธอทําได้ไหมอย่าไปคิดมันเลยเรื่องไหนยิ่งไม่อยากคิดยิ่งขยันคิดนึกออกไหมเนี่ยจิตมันเป็นอนัตตาให้เราดูความจริงนะเราภาวนาเนี่ยไม่ใช่เพื่อบิดเบือนความจริงไม่ใช่บิดเบือนว่าร่างกายไม่เที่ยงทําให้เที่ยงร่างกายเป็นทุกข์ทำให้เป็นสุข ร่างกายเป็นอนัตตาฝึกให้มันเป็นอัตตาให้บังคับได้เราไม่ได้ฝึกให้จิตใจนะของไม่เที่ยงทำให้เที่ยงของเป็นทุกข์ทำให้สุขของบังคับไม่ได้ทำให้บังคับได้พระอราหันต์ไม่ใช่คนที่เข้าไปฝืนไตรลักษณ์ได้นะร่างกายนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนะธรรมดาความสุขความทุกข์กุศลอกุศ ล, ล, ลทั้งหลายก็หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงเกิดดับนะ เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยในธาตุในขันในความจริงทั้งหลายมีแต่ของเป็นไตร ล, ลักษณนะ์เราภาวนานะเพื่อให้เห็นความจริงว่ามันเป็นไตร ล, ลักษณ์ไม่ใช่ภาวนาเพื่อเอาชนะมันบางคนนั่งสมาธิมันปวดมันเมื่อยจะนั่งเอาชนะเวทนานะฝึกเอาชนะเวทนาฝึกเอาชนะเวทนาไม่ใช่วิปัสสนากรรมฐาน แต่ฝึกจนเห็นว่าเวทนาไม่เที่ยงเวทนาเป็นของทนอยู่ไม่ได้เวทนาเป็นของบังคับไม่ได้ในนี้ถึงจะเป็นวิปัสสนากรรมฐานนะก็ฝึกให้ถูกเรื่องนะเห็นร่างกายเป็นปฏิกูลเห็นร่างกายเป็นอาสุพะเนี่ยสุกระโกระโศโครกนะอันนี้ก็ไม่ใช่วิปัสสนาถ้าวิปัสสนาก็าต้องเห็นว่ารูปนี้ไม่เที่ยงรูปนี้ถูกบีบคั้นอยู่รูปนี้บังคับไม่ได้เป็นแค่วัตถุออย่างเงี้ยนะนั่นต้องเห็นไตรลักษณ์นะ การที่เรามีสตินะคอยรู้รูปรู้นามรู้กายรู้ใจรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางรู้บ่อยๆปัญญามันค่อยสะสมไปด้วยทีแรกเห็นทีแรกว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราบางคนจิตใจสะทกสะทานหวัน่นไหวขึ้นมานะใครเคยเป็นยกมือให้หลวงพ่อดูซิพอเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราเนี่ยใจฝ่อเลยหรือไม่ก็เบื่อหน่ายนะหรือไม่ก็เซง็งสุดยอดไปเลยเนี่ยภาวนานะพอเห็นความจริงใจยังยอมรับไม่ได้ บางคนก็เร ja <an> ิ่มเห็นความจริงว่าจิตไม่ใช่ตัวเราหรอกเราสั่งไม่ได้นะใจฝ่อไปเลยเสียใจว่าตัวเราหายไปนะว้าเวงว่างวังเวงเบื่อนายนะกลัวบางคนกลัวพอเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเรานะกลัวไปเลยนี่เป็นความรู้สึกที่มันใจยังยอมรับความจริงไม่ได้ใจเริ่มเห็นความจริงแล้วมีสตินะมีใจตั้งมั่นก็เริ่มเห็นความจริงนิดๆหน่อยๆแต่ว่าใจยังยอมรับไม่ได้ คิดว่าไก่นี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นของเป็นทุกข์เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาต้องภาวนามากๆากนะจนวันหนึ่งใจเนี้ยยอมจำนนกับข้อเท็จจริงไม่ใช่ยอมจำนนกับความคิดพิจารณาอะไรมากมายหรอกพาจิตใจเนี้ยไปดูของจริงมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางพอรู้มากเข้ามากเข้านะต่อไปจิตก็ยอมรับ จิตยอมรับความจริงว่าร่างกายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตายอมรับความจริงว่าความรู้สึกทางใจทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็ายอมรับได้นะไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นนะความทุกข์มันจะไม่ค่อยมาอย่างเรายอมรับได้ว่าเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักคนที่เรารักเราต้องเจอสิ่งที่ไม่ชอบอกชอบใจเป็นคราวๆถ้าใจเรา ย, ายอมรับความจริงอย่างนี้ได้เราจะไม่ทุกข์มากอย่างน้ําท่วมเมื่อปีกลาย เมื่อปีกลายน้ําท่วมใหญ่ถ้าใจเรายอมรับความจริงได้ว่าน้ําท่วมเป็นเรื่องธรรมดาน้ําก็ต้องมีที่อยู่เราไปแย่งที่อยู่ของน้ํามานานแล้วน้ําขอคืนบ้างนะอย่างนี้เราก็ไม่ทุกข์มากใช่ไหมเดี๋ยวน้ํา่อก็กลับบ้านลงทะเลไปอย่างเงี้ยเราก็ไม่ทุกข์มากนะแต่ถ้าเรายอมรับไม่ได้ยอมรับสิ่งที่กําลังปรากฏไม่ได้เราจะทุกข์มากอย่างบางคนพ่อแม่ตายนะยอมรับไม่ได้ เพิ่งอายุ1้อยี่สิบปีทำไมตายเร็วอะไรนี้นะหรือลูกตายใครเคยลูกตายในห้องนี้มีไหมใครมีลูกแล้วลูกตายนะรับยากที่สุดเลยนะเพราะว่าเราไม่เคยนึกว่าเด็กมันจะตายก่อนเราระหว่างพ่อแม่ตายกับลูกตายเนี่ยลูกตายเนี่ยทุกมากกว่าเพราะอะไรเพราะเราพร้อมจะยอมรับว่าพ่อแม่ควรจะตายก่อนเหควรจะตายก่อนเราด้วยซ้ำไป แต่ว่าลูกมันแสงคิวเนี่ยเป็นสิ่งที่ยอมไม่ได้ยอมรับไม่ได้แต่ถ้าใจเราเคยเห็นความจริงว่าความตายไม่เลือกนะเด็กก็ตายได้ผู้ใหญ่ก็ตายได้นะสมมุติลูกเราตายเราก็รู้ความจริงเขาก็อยู่มาพอสมควรตามที่เขาอยู่ได้แล้วละ่ะเราจะไปฝืนไว้มันก็ทุกเปล่าๆสังเกตไหมที่เราทุกข์อ่ะเพราะเราไม่อยากให้เขาตายแต่เขาตายหรือเราอกหกักเรารักคนคนนี้เราอยากอยู่กับเขาตลอดไป เขาไม่อยู่กับเรามันเข้าเป็นอนัตตาเขาไปเป็นของคนอื่นแนละไม่เป็นของเรามันเป็นอนัตตาสําหรับเราแล้วนะเ ป, นเป็นอัตตาอยู่ที่อยู่ื่นอย่างเงี้ยจะยอมรับความจริงไม่ได้บางคนนะถึงขนาดนี้นะให้แฟนตายนะดีกว่าให้แฟนทิ้งอยอมให้มันตายให้มันตายตา ย, ตายไปนะยอมรับได้ง่ายกว่าที่มันจริ้งเราอีกรู้สึกไหมเพราะอะไรเพราะถ้าแฟนตายเนี่ยนะไม่เสียเซลล์ แฟนทิ้งเนี่ยมันเสียเซลล์ยอมรับไม่ได้ว่าฉันเนี่ยไม่เอาไหนเลยถูกเขาทิ้งนะนะเรายอมรับความจริงไม่ได้เราจะทุกข์การที่เรามาหัดทำวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเพื่อมาหัดดูความจริงของชีวิตนะเราไม่ต้องไปดูของอื่นของไกลามากเราดูตัวเราเอง ถ้าทั้งกายนี้ใจนี้ยังไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วสิ่งอื่นมันจะเที่ยงมันจะเป็นสุขเป็นอัตตาเข้าไปได้อย่างไงมันก็เหมือนเหมือนกันนะมันมาเรียนรู้ความจริงในกายในใจจนมันยอมรับความจริงของกายของใจได้ว่าเป็นตัวทุกข์ไม่ใช่ตัวดีตัววิเศษหรอกใจก็จะหมดความทุกข์นะนี่แหละเป็นตัวสัมมาทิฏฐินะก็คือเราพาจิตใจเนี่ยไปดูความจริงให้มันเห็นความจริงซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกจนมันยอมรับความจริง เมื่อไะไรใจเรายอมรับความจริงก็เรียกว่าจิตใจเรามีสัมมาทิฏฐิล้วนะงั้นเราต้องพาจิตใจให้รู้ความจริงมากๆจิตใจถึงจะมีสัมมาทิฏฐิถ้าจิตใจเรามีสัมมาทิฏฐิแล้วนะความทุกข์ก็จะหายไปยอมรับความจริงได้ทุกอย่างในชีวิตนี้ชั่วคราวงั้นอะไรเกิดขึ้นนะไม่ทุกข์หรอกนะเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูนะจนใจมันยอมรับความจริงใจยอมรับความจริงได้ใจไม่ทุกข์ที่ใจทุกข์เพราะใจไม่ยอมรับความจริง ความจริงก็เต็มไปด้วยความไม่เที่ยงอยากให้ของไม่เที่ยงมันเที่ยงอยากให้ของที่เป็นทุกข์ร่างกายจิตใจนี้ในความเป็นจริงเป็นตัวทุกข์มันจะเป็นสุขไปไม่ได้หรอกแต่เราอยากให้ของที่เป็นตัวทุกข์มันเป็นตัวสุขเราอยากได้ของซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เราก็ทุกข์นะยอมรับไม่ได้ร่างกายจิตใจนี้เป็นอนัตตาคือเป็นไปตามเหตุไม่ใช่ตามที่เราสั่งเราสั่งมันไม่ได้สั่งไม่ให้แก่สั่งไม่ให้เจ็บสั่งไม่ให้ตาย สั่งไม่ให้พลัดพลาดจากสิ่งที่รักสั่งไม่ให้ประสบกับสิ่งที่ไม่รักอะไรเนี่ยสั่งให้สมปรารถนาตลอดเวลาสั่งไม่ได้แต่ทั่งสั่งว่าใยญ่ยช่วยยังห้ามไม่ได้เลยสั่งว่าอยากโกรธยังห้ามไม่ได้เลยใครเคยไหมบอกเองว่าอยากโกรธนะอยากโกรธนะเสร็จแล้วก็โกรธห้ามมันไม่ได้หรอกหลวงพ่อเคยรู้จักเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเขาเล่าให้ฟังนานนักหนาละก็ไปศูนย์การค้านะเขาไปเห็นกระเป๋า กระเป๋าสวยนะใจอยากได้อยากได้รู้ว่าอยากได้คาสตินิดเดียวนะมารู้สึกตัวอีกทีกระเป๋ามาถึงบ้านแล้วนะเ อ, อมันห้ามไม่ได้นะสติจะเกิดหรือสติไม่เกิดยังห้ามไม่ได้เลยสั่งไม่ได้เลยนะเนี่ยแต่เราเราพัฒนาได้เราทําเหตุของสติให้มากนะสติก็เกิดนะทําเหตุของสมาธิให้มากสมาธิก็เกิดทําเหตุของปัญญาให้มากนะคือพา จิตให้รู้ความจริงมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิต ท, ที่ตั้งมั่นและเป็นกลางให้มากปัญญาก็เกิดนะเมื่อสติสมาธิปัญญาของเราบริบูรณนะ์นะศีลสมาธิปัญญาบริบูรณ์ขึ้นมาอริยมรรคก็เกิดไม่มีใครสั่งให้มรรคเกิดได้อริยมรรคเกิดเองนะไม่มีใครสั่งจิตให้บรรลุมรรคผลได้จําไว้เลยนะไม่มีใครสั่งจิตให้บรรลุมรรคผลได้จิตบรรลุมรรคผลของจิตเอง เมื่อศีลสมาธิปัญญาซึ่งเป็นเหตุให้เกิดมรรคเกิดผลน่าแก่รอบเต็มที่แล้วนะงั้นหน้าที่เราพัฒนาศีลสมาธิปัญญามีสตินี่แหละแล้วก็มีศีลมีสมาธิมีปัญญาเป็นลําดับลําดับมามีพระสูตรอยู่อันหนึ่งนะชื่ออัจจายิกสูตรพระสูตรเนี้ยพระพุทธเจ้าสอนบอกว่าพิสูจนทั้งหลายชาวนาเนี่ยมีหน้าที่สามอย่างนะอันแรกก็คือไปไถนาอันที่สองก็ไปหว่านข้าว อันที่สควบคุมระดับน้ำน้ำมากไปเอาออกน้ำน้อยไปเอาเข้าในที่สุดข้าวจะออกรวงเองชาวนาไม่ได้ทำให้ข้าวออกรวงข้าวออกรวงเองชาวนาทำอะไรชาวนาทำหน้าที่ไถนาหว่านข้าวดูแลเรื่องน้ำถ้ายุค ข, ของเราก็ต้องเติมปุ๋ยเติมยาฆ่าแมลงนี้มีปัจจัยหลายอย่างไม่ใช่สามอย่างละนะยุค ข, ของเรานี้ ท่านบอกภิกษุทั้งหลายอาริยมรรคก็เหมือนกันไม่มีใครสั่งให้อริยมรรคเกิดได้เหมือนที่ชาวนาสั่งให้รวงข้าวเกิดขึ้นไม่ได้นั่นแหละแต่ว่าภิกษุมีหน้าที่สประการคล้ายๆชาวนามีหน้าที่สประการหน้าที่อันแรกคือศีลสิกขานะศึกษาว่าทําอย่างไรจะมีศีลศีลจะมีก็ตรงที่สติมันเกิดนี่แหละสติรู้ทันกิเลสนี่แหละศีลมันจะอัตโนมัติขึ้นมา หน้าที่อันที่สองก็คือจิตศิกขาเรียนรู้เรื่องจิตของตนเองงั้นคนบอกว่าไม่เอาดูจิตไม่เอาดูจิตพวกนี้ขัดพุทธวัจนะอย่างแรงเลยต้องดูจิตต้องเรียนเรื่องจิตซะก่อนก่อนที่จะเจริญปัญญาถ้าเราหัดดูจิตให้เป็นแล้วเราจะรู้เช่นเราพุทโธพุทโธจิตหนีไปเรารู้ทันนะเราจะได้สมาธิขึ้นมาการดูจิตนั่นแหละทให้มีสมาธิขึ้นมา แล้ก็ถัดจากนั้นก็คือเจริญปัญญาศิกขาอย่างที่หลวงพ่อเล่ามาตั้งยืดยาววันนี้คือวิธีเจริญปัญญาศิกขาย่อลงมาก็คือมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางมีสติก็มีจิตที่ตั้งมัน่นนี่แหละจะเห็นความจริงคือเห็นไตรลักษณ์เนี่ยภิกษุมีหน้าที่3อย่างคือศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาศิกขาเมื่อศีลสมาธิปัญญาแก่รอบเต็มที่นะศีลก็อัตโนมัติ สมาธิก็อัตโนมัติปัญญาก็อัตโนมัติแล้วเนี่ยอริยมรรคจะเกิดเองสั่งให้เกิดไม่ได้มันเกิดเองงั้นพวกเราอย่าไปหวังนะนั่งภาวนาแล้วก็นั่งรุ้นว่าเมื่อไหร่อริยมรรคจะเกิดสติยังไม่เกิดเลยอริยมรรคไม่มาหรอกนะหรือมีสติแล้วแต่ศีลยังไม่ดีเลยศีลด่างพร้อยกับพร่องกับแกล้งนะแล้วเมื่อไหร่จะได้มรรคสตินี่ปฏิบัติกับหลวงพ่อปาโมลด์มาแล้วตั้งเจ็ดวันทําไมยังไม่ได้อริยมรรค ศีลยังไม่ได้ถือเลยนะหรือจิตใจฟุ้งซ่านตลอดจิตใจส่งออกตลอดหลงไปทางตาหลงไปดูรูปหลงไปฟังเสียงหลงไปดมกลิ่นหลงไปรู้รสหลงไปรู้สัมผัสทางกายหลงไปคิดนึกปรุงแต่งทางใจตลอดเวลาจิตใจไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวเลยเนี่ยฝึกมาตั้งเดือนหนึ่งแล้วยังไม่ได้มักได้ผลไม่ได้หรอกอีกกี่ปีก็ไม่ได้นะยังไม่มีสมาธิเลย หรือไม่เคยดูรูปนำทํางานเลยนะฝึกไปแล้วก็ทําจิตให้นิ่งให้ว่างอยู่ในความนิ่งอยู่ในความว่างตลอดเวลาเนี่ยเรียกว่าอยู่กับสุญญตามากๆแล้วจะได้นิพพานอันนี้คิดเอาเองพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนพระพุทธเจ้าสอนให้รู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมไม่ได้สอนให้รู้สุญญตาไม่เคยสอนสุญญตานุปัสนาสติปัฏฐานไม่เคยมีเลยเนี่ยเราก็น้อมจิตให้ว่างไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งนะไม่มีอะไรมากระทบเลย ไม่มีอะไรกระทบเลยไม่ปรุงแต่งเลยแล้วปัญญาจะเกิดได้ยังไงนะความสุขความทุกข์ความโลภความโกรธความหลงมันของปรุงแต่งทั้งนั้นเลยแล้วไปน้อมจิตให้นิ่งนิ่งว่างๆไม่ให้แต่งความจริงไอ้ว่างๆนะก็แต่งขึ้นมานะก็ปรุงแต่งอีกแหละหนี้ไม่พ้นหรอกงั้นถ้าเราไม่ได้พัฒนาสติขึ้นมานะไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาเราจะมานับเวลาว่าฟังซีดีมาแล้วกี่ปีนับไม่ได้นะ แต่ถ้าฟังซีดีหลวงพ่อรู้วิธีปฏิบัติแล้วคราวนี้เริ่มนับได้แล้วละ่ะนับไป7วันยังไม่ได้เอาเดเดือนลองดู7เดือนไม่ได้ลอง7ปี7ปีไม่ได้บุญเรายังน้อยเอาอีกนะเอาสัก16ปีนะทำไมต้อง16ปีไม่รู้เป็นตัวเลขอะไรตัวนี้ไม่ได้ให้หวยนะแต่ครูบาอาจารย์จํานวนมากเลยท่านภาวนากัน16ปีนะปีไม่ได้เอามันอีก7ชาติลองดู มีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะท่านบอกเลยว่าอีกร้อยชาติท no bon, pa ่านก็จะทําเนี่ยหลวงพ่อกราบท่านเต็มที่เลยนะท่านบอกท่านยังไม่ได้อะไรท่านกล้ามากเลยท่านไม่กลัวคนไม่นับถือเลยนะท่านบอกท่านไม่ได้อะไรนะแต่ว่าอีกร้อยชาติท่านก็จะทําเนี่เรากราบท่านได้เต็มที่เลยท่านมีคุณงามความดีนะมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นในคุณงามความดีนะเป็นตัวอย่างที่ดีเลยล่ะเป็นครูบาอาจารย์ได้เต็มภาคภูมิเลยนะ เพือนอนาที่ของเรานะมาพัฒนาสติขึ้นมาคอยรู้ทันสภาวะของรูปธรรมนามาทําไปมาพัฒนาศีลด้วยการรู้ทันกิเลสที่เกิดขึ้นที่จิตมาพัฒนาสมาธิด้วยการรู้ทันเวลาจิตไหลไปคิดมาพัฒนาปัญญาก็คือเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วนะดูกายมันทํางานดูใจมันทํางานตัวที่ไปรู้กายรู้ใจให้ทุดเรียกว่าสตินั่นแหละนะอะไรเปลี่ยนแปลงขึ้นมารู้ไปด้วยสุดท้ายปัญญามันเกิดนะปัญญาเกิดวิมุตติก็เกิด ถ้าบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาตัวสัมมาทิฏฐินั่นเองนะเราจะได้สัมมาทิฏฐิมามจะรู้ความจริงเลยว่านะรูปนามกายใจนี้คือตัวทุกขนะ์ถ้าเราไม่รู้ทุกข์ใจก็เกิดความอยากเกิดสมูทยัยถ้ารู้ทุกข์แจมแจ้งก็ละสมูทยัยหมดความอยากอัตโนมัติเลยนะพอหมดความอยากอัตโนมัติก็จะแจ้งพระนิพพานเห็นพระ น, นิโรธทันตาต่อหน้าต่อตาเลยนะรู้ทุกข์ละสมูทยัยแจ้งนิโรธเลยในขณะนั้นเกิดอริยมรรค ม้เราทำกิจของอริยสัจสี่เสร็จเลยส่วนความรู้ถ้าเรารู้สี่ข้อนี้แล้วเนี่ยที่เหลือเรารู้เองนะที่เป็นสัมมาทิฏฐิที่เหลือรู้เหตุสิ่งทั้งหลายมาจากเหตุปัจจุบันเนี่ยเป็นผลอดีตเป็นเหตุของปัจจุบันปัจจุบันเป็นเหตุนะอนาคตเป็นผลของปัจจุบันรู้เลยว่าเหตุและผลเนี่ยสัมพันธ์สืบเนื่องกันไปรู้เลยว่าจิตใจเราปรุงความทุกข์ขึ้นมาได้นะ นะมีกระบวนการที่เรียกว่าปฏิจจสมุขบาทปฏิจฏจสปายก็คืออริยสัจนั่นเองนะแต่ว่าแจกแจงราย ล, ละเอียดเข้าไปงั้นเราจะแจ่มแจ้งนะได้สัมมาทิฏฐิมาทั้ง8ข้อนั่นแหละการรู้ทุกนี่แหละเราจะได้สัมมาทิฏฐิครบเลยนะถ้าเราภาวนาของเราไปเรื่อยๆเมื่อเราเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วเราก็เป็นชาวพุทธที่แท้จริงเราเป็นผู้รักษาสืบทอดพระพุทธศาสนาไปนะต้องตั้งใจไว้อย่างหนึ่งนะพวกเราหลวงพ่อฝากไว้ ต้องตั้งใจไว้อย่างหนึ่งว่าเราจะต้องไม่เป็นชาวพุทธคนสุดท้ายนะเป็นรองสุดท้ายก็ยังดีอย่าเป็นคนสุดท้ายนะอับอายขายหน้ามนุษย์และเทวดาทั้งหลายเพราะฉะนั้นะฟังที่หลวงพ่อพูดแล้วรู้วิธีปฏิบัติแล้วไปหัดฝึกเข้ามีสตินะรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงนั่นแหละจะได้ตัวสัมมาธิฏฐิขึ้นมานะเอาละเท่านี้ก่อนนะครับกับนมัสยารหลวงพ่อนะครับ ที่ผมฝึกปฏิบัติฟังซีดีหลวงพ่อมาสี่ปีนะครับเพิ่งมีโอกาสมาส่งกันบ้านหลวงพ่อครั้งแรกก็วิธีการก็คือฝึกตามรู้จิตที่หลงไปแล้วก็เพิ่งมาเมื่อไม่นานมานนี้ฮะมันเพิ่งเกิดความรู้สึกชัดขึ้นนะครับความรู้สึกอะไรนะความรู้สึกรู้สึกตัวครับอเพิ่งเริ่มรู้สึกชัดขึ้นก็เลยไม่ทราบว่าที่ผมทํามานี้ทําถูกแหละนะจิตมันเริ่มตื่นขึ้นมา แต่ว่าตัวที่ต้องคอยดูต่อนะจิตเราตั้งมั่นไหมถึงฐานไหมขณะเนี้ยไม่ถึงครับไม่ถึงจิตอยู่ตรงไหนดูออกไหมมันดูไม่ออกครับเออมันออกข้างนอกใช่ไหมมันอยู่ข้างนอกให้เรารู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นนะจิตที่ไหลไปมันจะได้สมาธิขึ้นมาของคุณจิตมันตื่นขึ้นมาแล้วล่ะนี่สมาธิยังไม่แข็งแรงนะคอยรู้ทันจิตที่ไหลไปคิดบ่อย ทําในรูปแบบแล้วก็จิตไหลไปคิดรู้ทันจะได้สมาธิมากขึ้นมากขึ้นนะครับแล้วมันจะเห็นในรูปกระทำของคุณเห็นไหมกายกระใจครล้านนะมันเห็นได้แล้วล่ะความสุขความทุกข์กระจิตใจก็ครล้านกุศลอกุศลกับจิตใจก็ครล้านนะแล้วเห็นไหมแต่ละอันมันทํางานได้เองเรเฝ้าดูเหย่ยงนั้นนะสุดท้ายปัญญามันก็เกิดแะ้ไม่มีตัวไหนที่เป็นตัวเราเลยมันทํางานของมันเองทั้งหมดเลยครับทําดีแล้วล่ะนะครับ เดี๋ยวนี้ไปที่ไหนที่ไหนนะโอ้คนที่จิตตื่นขึ้นมาไม่พูดถึงแล้วเฉยคนจิตตื่นแล้วแยกขันได้เนี่ยนับจํานวนไม่ถูกหรอกลงจิตตื่นขึ้นมาจิตตื่นก็คือจิตมีสมาสมาธิขึ้นมาแล้วแล้วขันแยกได้นะแล้วเห็นขันทํางานจิตเป็นคนดูได้นั่นคือการเจริญปัญญาแล้วนะเรียกว่าเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีนะมันควรจะมีอะไรบ้างอย่างน้อยก็ได้ ความรู้ความเข้าใจทางต้นๆบ้างอ่ะนะส่วนจะได้โสดาสัคตะคาอะไรก็แล้วแต่บุญแต่กรรมของเราเนาะหน้าที่ของเราก็ทําเพจเราให้ข้าวมันออกรวงเองอย่ารีบให้ออกรวงนะเดี๋ยวไปดึงยอดข้าวให้มึงเอารวงขึ้นมาเร็วๆนะข้าวตายอย่าไปบงังคับจิตนะให้เกิดมากเร็วๆสิเกิดมากเกิดผลเร็วๆเดี๋ยวมันตายฝึกนแะปลดีแล้วการนมันการค่ะหลวงพ่อ ที่ว่าละรูปได้อารมูปละนามเพื่อวิปัสนาไม่ทราบว่าอันนั้นอันนั้นเป็นเรื่องของอุปโตภาควิมุตต<ม>์ของเรายังไม่ถึงนะเรามีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตตั้งมั่นเป็นกลางก่อนอุปโตภาควิมุติเป็นลีลาการบรรลุพระอรหันต์ของพระอรหันต์บางกลุ่ ม, มพระอรหันต์เนี่ยเวลาอย่าว่าแต่พระอรหันต์ในพาระโสดาขึ้นไปเนี่ยตอนที่บรรลุอริยมรรคเนี่ยจิตจะเข้าฌาน แต่ฌานนี้เป็นลักขณูปนิชานะจิตอยู่ที่จิตแต่เข้าฌานหนึ่งสองสสห้าหเจ็ดปดฌานมีสองอันนะฌานหนึ่งจิตไปอยู่ที่อารมณ์เรียอารามณูปนิชานเข้าฌานหนึ่งสองสาสี่ห้าหเจ็ดปดได้เหมือนกันลักขณูปนิชานจิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตเข้าฌานหนึ่งสองสาสี่ห้าหเจ็ดปดได้เหมือนกันเนี่ยพระตั้งแต่โสดาบันยันพระอรหันเนี่ยเวลาที่เกิดอริยมรรจิตจะเข้าฌานอยู่ที่จิตจิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตตั้งแต่หนึ่งสองี่ห็ดแด แต่ว่าส่วนมากเนี่ยท่านจะเข้า1นึ่งกันนะี่ยยกเป็นท่านที่ชํานาญอรูปชํานาญอรูปปิชาณ น, นะถ้าชำนาญรูปปิชาณเนี่ยในขณะที่จะเกิดระยะมากจิตจะเข้าอารูปปิชาณไปเลยไม่มีร่างกายโลกธาตุดับไม่มีสาวเอฟเฟคเลยบางท่านบอกว่าเวลาบรรลุผ้าหันโลกธาตุสะเทือนเทพพยดาสาทุกการนะโลกธาตุหวา น, วนไหวฟ้าผ่าแผ่นดินไหวไม่มีน้ําท่วม มีฟ้าผ่าแผดดินไหวเฉยๆอย่างแบบนี้อย่างนี้ท่านบรรลุในรูปฌานนะเลยจิตมันไปรู้สาวเอฟเฟคต์ข้างนอกได้เทวดาสาธุแต่ถ้าไปตัดในอรูปเนี่ยไม่ได้ยินหรอกในบางส่วนเนี่ยท่านไปตัดกิเลสในอรูปฌ า, านพวกนี้เรียกอุปโตภาควิมุตมีน้อยหรอกในพระอรหันต์ห้าร้อยองค์สมัยพุทธกาลนะมีหกสิบองค์ที่ได้อุปโตภาควิมุตนะ ที่เหลือไม่ได้ไม่ถึงแต่ว่าทุกองค์จะได้ปฐมฌานนะทุกองค์ได้ปฐมฌ า, านะาาแล้วบางองค์ได้อภิญญาบางองค์ได้วิชาสามหลับนั้นัศการหลวงพ่อครับคือเวลาตอนปฏิบัติที่จะดูกายเคลื่อนไหวและรู้สึกตัวครับผมรู้สึกว่าตัวเองจะมีการวางจิตไว้แบบหนึ่ง ก็เลยไม่แน่ใจว่ามันเป็นการกระทำเป็นการวางยังไงบางให้หลวงพ่อดูซิประมาณนี้่ครับอย่างนี้ประคองอยู่ไหมคิดว่าครับแน่นๆน่นไหม น, น้อยครับมันจะอึดอดนิดหน่อยนะครับแต่ประคองนิดหน่อยแล้วเวลาที่เรารู้สึกตัวเนี่ยเราไม่ประคองจิตแต่เราเห็นว่าจิตมันก็อยู่ต่างหากนะเราไม่ไปจ้องใส่มันด้วยแค่รู้สึกถึงความมีอยู่ของมันเท่นั้นองรู้สึกตัวบสบายสบาย จิตที่ตั้งมั่นเนี่ยถ้าพูดภาษาไทยง่ายๆให้รู้เรื่องนะก็คือจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแค่นั้นเองไม่ลึกกว่านั้นนะลึกกว่านั้นจะเพ่งเอาละตอนนี้เพ่งแรงไปถ้าเพ่งอย่างเนี้ยสิ่งที่ได้คือได้สมถะทบไปทําไปจะรู้สึกตัวใหญ่ตัวเบาเมื่อวานก็มีพระมาเล่าทั้งพระทั้งโยมส่งกันบ้านที่สวนสันนิษฐานนั่งภาวนาเดินจงกรมแล้วหัวชนเมฆชนพดานเนี่ยบรรลุไหมไม่บรรลุหรอกคนละเรื่องกันเลย บรรลุอะไรเอาผัวไปชนเตดานครับแล้วอีกท่นหนึ่งครับคือเวลาตอนที่ดูทำสมาธิหรือว่าให้กายนิ่งๆนะครับผมจะดูตรงที่ความรู้สึกที่ร่างกายว่ารู้สึกที่รู้ตัวนี้นะรู้รู้ตัวนี้ดีกว่า ร, รู้ทันว่าจิตเนี่ยส่งไปดูที่แขนถ้ารู้ลมหายใจก็รู้ทันจิตที่ไหลไปดูลมหายใจรู้ทันจิตไว้เราจะได้สมาธิ เพราะการทำสมาธินะบทเรียนเรื่องได้สมาธินะชื่อจิตตสิกขานะเพราะฉะนั้นถ้าเรามัวไปดูแขนเนี่ยไม่ได้ดูจิตใจไม่เกิดสมาธิจริงหรอกจะได้สมาธิอีกชนิดหนึ่งสมาธิที่ไปเพ่งอารมณ์เนื่องอารมโนปนิชฌานแต่แต่สิ่งที่เห็นก็คือเห็นว่ามันมีความรู้สึกตัวที่แขนแล้วก็ย้ายไปที่ขาที่เอวอย่างนั้นไปวิ <ไป S 1> ่งม<า>นะอย่างนั้นได้นะเป็นอุบายเบื้องต้นน ะ, ะเรารู้ทันว่าจิตมันเคลื่อนไปไหนมาไหนอย่างนี้ดี ถ้าไปแช่อยู่ที่แขนไม่มีอะไรเรากไ็ได้แต่สงบนะก็ ค, คือดูการเปลี่ยนแปลงของดูความเปลี่ยนแปลงนะจิตหนีไปอยู่ที่หูแล้วนะเหนียว อ, อยู่หัวไม่ท้าบแล้วอะไรเงี้ยเรารู้ทันอย่างนี้ใช้ได้ต่อไปเวลาจิตหนีไปคิดเราก็จะรู้ทันจะได้จิตที่ตั้งมัน่นเพราะงั้นถ้าคุณทำแล้วคุณรู้เท่าทันจิตอยู่ใช้ได้เป็นจิตตรศิขาอยู่นะกราบขอบพระคุณครับค่อยฝึกนะใจะเย็นๆค่อยๆรู้ไปเรื่อย ยิ่งไม่รีบร้อนนะแต่ดูบ่อยๆนะไปเร็วรีบร้อนอยากได้ผลเร็วๆเหมือนไปดึงยอดต้นข้าวเดี๋ยวต้นข้าวแท้งซะก่อนตายก่อนอน้มัสการหลวงพ่อค่ะส่งกันบ้านครั้งแรกค่ะก็ปฏิบัติด้วยการสวดมนต์ค่ะแล้วก็นั่งสมาธมิช่วงแรกพอนั่งสมาธินี่ก็มีภาวะที่เกิดขึ้นก็คือรู้สึกตัวโคลงมาก รู้สึกตัวอะไรนะโครงค่ะโยกไปโยกมาค่ะแล้วก็แล้วก็สักพักหนึ่งก็เหมือนกับว่าพอหลังจากโครงแล้วแตบก็พยายามปฏิบัติตามที่หลวงพ่อแนะนําไว้คือครงก็ให้รู้ว่าโครงหลังจากนั้นก็เหมือนเหมือนเหมือนมันหลับแต่จริงจริงมันไม่ได้หลับค่ะก็พอเป็นอย่างนั้นอยู่สักพักหนึ่งก็มีความกังวลว่าตัวจะไปติดสมถะไม่ไม่เป็นไรนะจิตมันเข้าไปพักชั่วครั้งชั่วคราวไม่ไม่ได้ว่าติดหรอกแล้วอโยมก็เลย วันต่อมาก็พยายามอพอนั่งสมาธิก็พยายามดูว่าจิตไหลไปคิดที่ตรงไหนนะค ะ, ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็รู้สึกว่าทำไมมันไหลบ่อยมากแล้วก็เลยรู้สึกเหมือนเหมือนกับว่าเอ๊ะแล้วทำไมเราไม่เกิดภาวะสงบเหมือนกับที่เคยทาในตอนแรกอะคะ่ะตอนนี้ก็เลยสงสัยว่าควรจะทํายังไงก็กลับไปเดินกลับไปเดินแล้วก็ดูพอเดินก็โครงอีกคะ่ะแล้วก็รู้ว่าโครงก็เลยตอนนี้ก็เลยมีภาวะสงสัยว่า อยากจะขอคําแนะนําหลวงพ่อว่ายงควรจะปฏิบัติอย่างไรค่ะพอสงสัยเรารู้ว่าสงสัยนะคือกลับมาที่จิตให้ได้อย่างการที่เรามีความสงบเกิดขึ้นสงบไม่ถึงฌานนะมันจะมีอาการอย่างนั้นแหละบางทีตัวโครงบางทีตัวใหญ่นะรู้สึกตัวโตวเป็นภูเขาเลยบางทีตัวหนักเหมือนก้อนหินใหญ่ๆแข็งๆไม่กระดิกเลยเนี่อาการของสมาธิหมดเลยน้นถ้าหากอาการหอวสมาธิเกิดขึ้นกลับมารู้ทันจิต เช่นจิตสงสัยว่าจะทํำยังไงดีรู้ว่าสงสัยกลับมาที่จิตนี่สมาธิมีสองอย่างถ้าเราต้องการพักผ่อนเราก็ทําสมาธิอย่างที่คุณเล่ามานั่นแหละจะโครงก็โครงไปนะให้จิตจะรวมบุบลงไปไปว่างๆอยู่ข้างในจิตมันรวมอันนั้นได้พักผ่อนได้สมถะไม่เป็นไรไม่ได้เสียหายอะไรแต่ถ้าเรายินดีพอใจในความสุขความสงบนั่งที่ไรจะน้อมเข้าหาตัวนี้ให้รู้ทานว่าชอบมันถ้ารู้ว่าชอบจะไม่ติด ถ้าไปชอบโดยไม่รู้ว่าชอบอยู่นะจะติดมันติดสมถะนะสมถะก็ไม่ทิ้งนะให้รวมไปเถอะแต่ว่าถ้ามีแรงพอก็มารู้ทันจิตนะหายใจไปแล้วจิตหนีไปคิดรู้ทันอย่างที่ว่านั่นแหละนะจิตจะเห็นเลยว่าจิตเนี่ยฟุง้งซ่านตลอดเวลาจิตไม่สงบนานรู้สึกไหมไหลแวบบรู้สึกแวบบรู้สึกค่อยดูตรงนี้แหละเราจะเจริญปัญญาเอาตรงนี้เลยก็ได้น ะ, จะเจริญปัญญาตรงที่เราเห็นว่าจิตไหลไปได้เองใช่ไหม จิตนี้ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาการที่เราเห็นจิตไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วเราบังคับไม่ได้เราไม่ได้เจตนานั่นะเราก็เห็นอนัตตาเห็นอนิจจังเห็นอนัตตาไปนั่นะแหละเราเดินปัญญาอยู่ถ้ามันฟุ้งซ่านดูไม่รู้เรื่องแล้วก็กลับมาทําความสงบให้จิตเข้าไปพักนะจะโครงไม่โครงชั่งมันให้มันได้พักผ่อนไปพอออกมามีแรงก็มาดูจิตที่เคลื่อนต่ออีกก็จะเห็นเลจิตเดี๋ยวก็เคลื่อนเดี๋ยวก็ไม่เคลื่อนมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่อนัตตานะ นั่นแหละเดินปัญญาทำอย่างนี้ก็ได้ก็ให้ทำอย่างนี้ต่อไปออยอมทำพยายามดูจิตแม้กระทั่งตอนทำงานคือตอนใช้ชีวิตปกติก็ใช้ชีวิตปกติดูจิตไปแต่ถ้าทำงานที่ต้องคิดเนี่ยไม่ต้องไปดูจิตหรอกนะใค่จดจ่ออยู่กับงานไปถ้าจดจ่อกับงานแล้วขี้เกียจทำงานรู้รู้ว่าขี้เกียจเนี่ยนะหรือว่าคนเขาชมว่างานเราดีดีใจรู้ว่าดีใจนะถึงเวลาทำงานไม่ใช่เวลาทำกรรมฐาน ก็ให้ทําต่อไปอย่างที่เคยทํำใช่ใชสมถะอย่าไปกลัวมันนะให้มันสงบไม่เป็นไรมันอยู่ที่ว่าถ้าพอใจแล้วรู้ทันเนี่ยจะไม่ติดสมถะพวกที่ติดสมถะก็คือจิตมันพอใจในความสุขความสงบแล้วไม่รู้ทันว่าราคะเกิดขึ้นแล้วก็เลยติดนมัส ก, การค่ะหลวงพ่อหนูส่จงจะส่งการบ้านก็คือว่าเออ ตอนนี้ที่หนูเป็นบ่อยอะค่ะมันจะมีจิตอยู่สองอย่างก็คือมีตัวหนึ่งที่มันกดและอีกตัวหนึ่งมันจะบบเหมือนเวียงจนสั่นมาถึงหัวค่ะหลวงพ่ออะไรหน่าใหม่ซิมันจะมีตัวหนึ่งที่มันกดอยู่และอีกพอมันกดปุ๊บมันก็จะมีอาการที่มันสั่นมันเหมือนมันเวียงอะค่ะคือกือมาถึงหัวเลยค่ะหลวงพ่ออันนั้นไม่ใช่จิตหรอกจิตเป็นคนที่รู้ว่ากดอยู่จิตเป็นคนที่รู้ว่ามันเวียงเอา เมื่อนั้นถ้ามันกดนะใจชอบก็รู้ใจไม่ชอบก็รู้มันเบี่ยงนะใจชอบก็รู้ใจไม่ชอบก็รู้รู้ทันใจของเราอย่างนี้เป็นเพราะสองตัวนี้มันทําให้หนูไม่ได้เห็นสภาวะอย่างอื่นชัดเจนหรือเปล่าคะไม่จําเป็นการที่กดอยู่ก็เป็นสภาวะอันหนึ่งการที่เบี่ยงก็เป็นสภาวะอย่างหนึ่งเราก็เห็นมันทํางานของมันได้เองเ อ, อแล้วหนูเคยเห็นถึงอัดถึงความเป็นตัวเองอะคะ่ะ ความเห็นถึงความหวงตัวเองอะค่ะหลวพ่ออันนี้มันทําให้หนูอยากเห็นอีกอะค่ะอืมอยากก็ไม่เห็นสิความอยากเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นะความอยากไม่ได้เป็นเหตุให้พ้นทุกข์หนูเห็นถูกแล้วใช่ไหมคะหลวงพ่อเห็นถูกแล้วล่ะนะอย่าอยากเห็นอีกมันเห็นเองอ๋อแต่ว่าเห็นแล้วมันก็ยังมีกิเลสอยู่เหมือนเดิมอะค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ดูไปเรื่อยยังดูไม่พอนะถ้าดูพอแล้วกิเลสมันก็ค่อยลดไป คือหนูยังทําสมาธิไม่ค่อยได้ถ้าหนูแบบอาศัยใช้ใจที่มันรู้สึกว่ามันสบายตรงเนี้ยมันจะดูตรงนี้ได้หรือเปล่าคะถ้าเราอยู่ในอารมณ์ันเดียวที่มีความสุขก็ได้สมาธิขึ้นมาได้พักผ่อนสมาธิอีกชนิดหนึ่งก็คือรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปก็ได้สมาธิอีกชนิดนึงสมาธิตั้งมั่น ถ้าได้สมาธิตั้งมั่นแล้วก็เห็นกายมันทํางานเห็นใจมันทำงานก็เกิดปัญญาปัญญาเวลาเกิดเกิดเองนะเราสั่งให้เกิดไม่ได้หรอกมันก็เกิดของมันเองเวลาที่เราเจริญปัญญานะั้นมันจะเป็นพักๆนะมันไม่เจริญรวดเดียวหรอกจิตที่เจริญปัญญามเจริญมันจะเกิดเข้าใจขึ้นแวบหนึ่งนะเสร็จแล้วมันก็จะกลายเป็นสมถะอีกไม่แปลกปัญญาไม่ได้เกิดตลอดเวลาหรอก เวลาที่ทำมิปัสสนานี่จิตจะพลิกเป็นสมถะเป็นช่วงช่วงช่วงไปอยู่กับสมถะเยอะเวอาเกิดตอนที่เกิดปัญญาหนูมีติด ต, ตรงไหนไหมคะหลวงพ่อหนูมีติดอะไรตรงไหนไหมคะติดนันเดียวใจร้อนอยากได้เร็วๆได้รู้ทันมันนะแล้วก็ดูไปบ่อยๆขอบคุณค่ะกับนางสการครับ หลวงพ่อครับตอนตั้งแต่เล็กๆผมก็ชอบทำม า, มาตั้งแต่อะไรนะตั้งแต่เล็กๆเด็กๆนะครับ<อ>ก็ชอบทำ ม, มาเรื่อยๆก็ได้มารู้จักหลวงพ่อเนี่ยนะครับก<อ>็ปฏิบัติมาเรื่อยๆตอนนี้ก็สติมันเกิดได้เยอะนะครับแล้วก็แยกธแยกขันธ์ได้เออดีแล้วก็ช่วงหลังๆนี่ก็รู้สึกว่าโลกมันมันมันไม่มีสาลามมันมันน่าเบื่อมันแต่แต่ว่าอย่าให้ความเบื่อครอบงาจิตนะครับเอ ความเบื่อเกิดขึ้นดีแล้วพอเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายแต่อย่าให้ความเบื่อครอบงําจิตได้ให้รู้ทันมันเหมือนกิเลสตัวหนึ่งเท่านั้นเองครนะจิตจะเป็นกลางก็รู้ไปจิตยังไม่เป็นกลางนะจิตมีกุศุจักควรจะเพิ่มสมาธิด้วยใช่ไหมครับทําได้ก็ทํานะครับแต่ว่าจิตเป็นคนช่างคิดเนี่ยคิดมากเออมันทําสมาธิยากเอาแค่ว่าหาดพุทโธไปจิตหนีไปคิดรู้ทันอะไรอย่างเงี้ย แต่เวลานั่งสมาธิจะไม่เคยสงบเลยครับไม่สงบหรอกแต่เวลานอนปรับเนี่ยมันเหมือนหลวงพ่อที่ที่หลวงพ่อบอกมากมันก็จะสมาธิจะรวมได้เยมากเลยตอนนอนนี่แหละพวกนี้ต้องนอนเอาแต่ยาวมาเป็นข้ออ้างนะเดี๋ยวนอนทั้งวันทั้งคืนมีสิ่งใดหลวงพ่อเพิ่มเติมให้ด้วยครับต้องทําอีกเลยนะทำมาถูกแล้วล่ะครับผมขณะนี้จิตอยู่ที่ไหนจิตอยู่ข้างนอกครับให้รู้ทันนะ กราบนมัสการครับกราบนมัสการหลวงพ่อค่ะคือคราวที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าให้ไปดูจิตที่หนีไปคิดบ่อยๆอนี้ที่ผ่านมาที่ที่ทำอยู่เนี่ยก็พยายามเดินจงกรมทุกคืนคืนละประมาณทิ้งชั่วโมงนะคะก็รู้สึกว่าตัวเองรู้สึกตัวได้ได้มากขึ้นแต่เป็นลักษณะรู้กายมากกว่าที่จะไปรู้จิตที่หลวงพ่รู้กายก็ได้ น, นะรู้กายก็ใช้ได้รู้จิตก็ใช้ได้ เห็นไม่กายเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเห็นไม่ร่างกายไม่ใช่ตัวเราเห็นไหมมันพยักหน้ามันเราจะรู้สึกเลยว่ามันไม่ใช่ตัวเรามันเหมือนตัวอะไรตัวหนึ่งรู้สึกไม่ร่างกายเป็นโปร่งๆเห็นเป็นโปร่งไหมนิดๆนะคะแต่ว่ายังยังไม่ได้ยังรู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวเรานั่นน่ะดีแล้วล่ะแค่นั้นก็พอละฝึกแค่นั้น่หละใจมันแยกออกมาตาหา ค่ะทีนี้เอจะพยายามว่าให้ดูจิตนี่ถ้าเราพยายามพุโทโธพุธโทโธอยู่ตลอดเวลายังทําไม่ได้อะค่ะหลวงพ่อเพราะว่าบางทีมันพอพุโทโธมันจะหายไปทั้งวันเลยค่ะส่วนส่วนใหญ่พอรู้สึกปุ๊บจะรู้สึกที่กายมากกว่างั้นเอากายเป็นฐานไว้ร่างกายเคลื่อนไหวไปพอใจลอยให้รู้ร่างกายเคลื่อนไหวไปใจลอยให้รู้นะแต่หนยังยังอยู่ในร่องรอยใชอยู่อยู่มากๆเลยสาวขอบคุณมากค่ะเห็นกิเลสอะไรบ้างล่ะ เ ห, หหเห็นขี้โมโหไหมเห็นค่ะเป็นบ่อยเลยโอ้โหให้รู้ทันนะถ้าทางขี้โมโหโง่เฮงให้เจิงหุดหิดง่ายอ่ะค่ะเออข อ, อการเจ้าค่ะไม่ได้ส่งกันบ้านนานแล้วค่ะ อ, อืเอเมื่อก่อนดูกายแต่ตอนนี้รู้สึกว่าจะถนัดดูจิตมากขึ้นนะคะแล้วก็เคยเห็นอารมณ์โกรธที่ชัดมากเพราะเห็น ก, ก็เลยนั่งดูว่าจะเป็นยังไงแต่สุดท้ายก็คือ ก็ไม่โกรธนะคะเพราะก็หัวเราะอะไรเงี้ยค่ะมันหัวเราะเองเหรือโกรธหายไปเองเหรือก็ค่อยๆฮะแล้วต้องให้หายเองนะไปแกล้งทําเป็นไม่โกรธแล้วหัวเราะหัวเราะไม่ได้นะค่ะต้องดูของจริงๆคแล้วก็เห็นจิตที่เกิดดับนะคะบางครั้งก็บังคับไม่ได้เงี้ยไม่ได้บางครั้งหรือไม่ไม่ใช่บางครั้งอะทุกครั้งอ่ะบังคับไม่ได้หรอกความสุข ความสุขที่เคยเกิดขึ้นในอดีตนะคะที่เคยสัมผัสได้กับความสุขปัจจุบันมันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันนะความสุขอย่างโลกโลกเขาเรียกคามมัสุขความสุขที่ยิงงานใส่รูปอาศัยเสียงกลิ่นรสสัมผัสอาศัยว่าเราต้องอยู่กับคนนี้อะไรอย่างนี้ถึงจะมีความสุขต้องอยู่ได้สิ่งนี้ถึงจะมีความสุขต้องไม่มีอย่างนี้ถึงจะมีความสุขมันไม่ใช่ความสุขในทางธรรมะอย่างนี้หรอกความสุขในทางธรรมะเนี่ยความสงบมิเวกก็มีความสุขนะ อยู่ของเราสบายไม่ยุ่งกับใครก็มีความสุขนะมีเกิดความรู้ความเข้าใจมีปัญญาขึ้นมายิ่งมีความสุขอาสจรร์นหนักเข้าอีกแปลกมีอะไรต้องแก้ไขะปะปกอีกคะจิตขนาดนี้ปกติไหมไม่ค่ะมันเป็นยังไง เ, เพง่งไหมบังคับไหมบังคับอยู่ออให้รู้ทันน ะ, ะถ้ารู้ทันแล้วใช้ได้นี่หลวงพ่อเฉลยข้อสอบให้อย่าไปทาปลอมนะรู้นะ พูดจริงหรือรพูดโกหกถ้าสอนกรรมฐานมานานๆเนี่ยโอ้ยรู้ไสลูกศิษย์เห็นหน้าก็รู้แล้วดีหนูตั้งใจทำไปนะอย่าอยากอย่าอยากได้เร็วๆนะใจมันรีบร้อนไปค่ะกับนมัส ก, การค่ะหลวงพ่ อ, อก็ฟังซีดีของหลวงพ่อมาเจ็กเดือนนะคะก็ วันนี้ส่งการบ้านครั้งแรกอะคะ่ะก็อยากจะถามหลวงพ่อว่าที่ปฏิบัติอยู่ถูกต้องไหมถูกสิแล้วก็เหมือนรู้สึกว่าการเห็นนะคะมันไม่ชัดอะคะ่ะทํำยังไง<า>ถึงะจะตื่นะคือที่รู้กายอะคะ่ะหรือว่ารู้จิตอะคะ่ะมันไม่ชัดอะคะ่ะทํายังไงถึงจะตื่นนะคะหลวงพ่อให้รู้ทันบ่อยๆเวลาจิตไหลไปชิดนะถ้จิตตั้งมั่นมีเรี่ยวมีแรงแล้วมันจะเห็นชัดถ้าจิตเราอ้อยสร้อยอ้อยอิงไม่มีเรี่ยวมีแรงไม่ชัดหรอก เพราะงั้นหนูต้องทากรรมฐานอย่างหนึ่งอะไรก็ได้นะจะพุโทโธจะหายใจอะไรก็ได้แล้วก็คอยรู้ทันเวลาจิตไหลไปคิดถ้าจิตตั้งมั่นมีเรียวมีแรงแล้วมันจะชัดขึ้นมานะของหนูมันฟุ้งไปเรื่อยๆหรือเปล่าฟุ้งเยอะนะใจมันฟุง้งๆเนี่มันจะเห็นอนาะรมณ์ไม่ชัดครูบาอาจารย์สอนหลวงพ่อมานะครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อเนี่ยเป็นคนโบราณผู้เฒ่าผู้แก่นะเป็นคนบ้านนอก ท่านจะเทียบอะไรตัวอย่างที่ท่านยกนี่จะโบราณหมดเลยท่านบอกว่าเวลาจิตมันกระเพื่อมนะมันเหมือนน้าในตุ่มอะน้ําในตุ่มที่กระเพื่อมกระเพื่อมอยู่เรามองก้นตุ่มไม่เห็นน่ะนะต้องน้ํานิ่งๆนะมองทะลุลงไปเห็นที่ก้นตุ่มได้การที่เราจะเห็นสภาวะได้ชัดเจนนะใจก็ต้องไม่กระเพื่อมใจต้องมีสมาธิพอนะของนูน้ํามันยังกระเพื่อมนะนะหนูคอยรู้ทันเวลาใจไหลไปคิด ถ้าเรารู้ทันก็เหมือนเราไม่เอามือไปกวนน้ําให้ขุ่นนะไม่ให้กระเพื่อมหนีไปคิดหรือยังหนีไปคิดแล้ว่อหันรู้อย่างนี้บ่อยๆนะตัวนี้สําคัญมากถ้าหนูทาตัวนี้ได้แล้วตัวอื่นก็จะมาเองแหละกล่าบมรดสการหลวงพ่อที่เคารพค่ะรายงานผลการพูดเหมือนท่านประธานที่เคารพเลยรายงานผลการปฏิบัติสามเดือนนะคะก็คขาวที่แล้หลวงพ่อให้ไปดูไกายเพิ่มเติมค่ะก็ แรกๆมันก็จะฝืดนิดนึงเพราะว่าไม่คุนนะค่ะแต่ก็พอเริ่มหัดมันก็เริ่มเริ่มดีขึ้นแล้วก็มันคล่องขึ้นนะคะใช่มันจะมีแรงนะค่ะจิตมันจะมีกําลังขึ้นแล้วหลังๆมันก็มันเลือกไม่ได้มันอยากจะรู้อะไรก็ปล่อยให้มันรู้ค่ะแต่ว่าที่คือตั้งสัจจะไว้ว่าตลอดเข้าพรรษาเนี่ยจะภาวนาทุกวันแล้วก็จะทําในรูปแบบสวดมนต์ทุกวันตอนเย็นหลังๆก็เริ่มเช้าเย็นเลยนะคะแล้วก็ ตั้งใจราสระศีล5กินมังก็คือตั้งใจตมาตลอดเรารู้สึกว่าการปฏิบัติมันพัฒนามากขึ้นนะคะแล้วทําได้ไหมทําสําเร็จนะถ้าทําสําเร็จเราได้บารมีน ะ, ะเราตั้งใจจะทําความดีแล้วทําจนได้เนี่ยจิตจะมีกําลังมากเลยค่ะดีพอเริ่มเริ่มดูกายชัดขึ้นนะคะคือหนูเป็นพวกโทสะจริตแล้วหลวงพ่อบอกว่าให้สมาทานศีลห้าบ่อยๆมันก็ดีขึ้นแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้ดีที่สุดอะคะ่ะมันก็ยังมีหลุดข้อสี่อยู่เรื่อยๆก็ พอวันนั้นเนี่ยมันมีเวทนาทางกายเยอะมันก็เลยเอตอนแรกก็ดูไปอะค่ะดูแล้วมันก็เกิดจิตปรุงแต่งมันก็เลยทําให้เกิดโทสะพอโทสะ ม, มันกํลลาลังจะหลุดพูดออกมามันก็ลึกๆู้ทันว่าปากกําลังส ต, สตมันเกิดลค่ะแล้วเื่เอาพอง ม, พมันก็บกว่า ออกมาบอกว่ า, าให้อย่าไปดูอย่าไปดูคนที่โกรธให้ดูใจตัวเองก็เลยหันหน้าออกไปข้างนอกแล้วก็เออดูดูมันโกรธไปสักพผ้ามันก็มันก็หายไป อ, อะค่ะหลัง จ, จากนั้นก็พูดเท่าที่จำเป็นดีค่ะไปทำอีกค่ะขอบคุณค่ะกับกบน้ำมัส ก, การหลวงพ่อค่ะก็ฟังซีดีมาประมาณ3มปีกว่าค่ะแล้วก็ช่วงแรกๆก็ พยายามปฏิบัติแต่ว่าไม่รู้ว่าที่ปฏิบัติอยู่เนี่ยถูกไหมซึ่งช่วงนั้นก็ไม่ได้มีโอกาสได้มาที่เนี่ยค่ะครั้งนี้เป็นครั้งแรกแต่ว่าช่วงประมาณสี่ห้าเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันหลุดไม่ได้แทบจะไม่ได้ปฏิบัติเลยค่ะคือหลุดไปติดความสุขทางโลกอืแล้วก็คือรู้สึกได้ว่าใจมันมันดูหยาบขึ้นมากเย็นมันมากโทสะแรงจน รู้สึกว่าไม่ไหวแล้วต้องกลับมาแต่ว่าคือมันมันรู้สึกว่ามันไม่มีแรงะคะ่ะกลับมาก็ก็พยายามฟังซีดีแต่ว่าในรูปแบบก็ไม่ค่อยได้ทำอย่าอย่าอยากให้มันได้ผลนะทำเหตุไปเรื่อยฟังซีดีไปดูกายดูใจไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็ค่อยได้แรงขึ้นมาถ้าอยู่ๆเราอยากให้มีแรงนะไม่มีหรอกกลุมใจเปล่าๆ ทำเหตุไปบ่อยๆนะเหตุก็มีกําลังขึ้นมาเองนะใจเย็นๆแล้วหนูทิ้งไปนานมันก็ต้องซ้อมกันใหม่มันเหมือนไม่รู้ว่ามันกลายเป็นศูนย์หรือติดลบคือเดิมไม่ได้คิดว่าเป็นคนโภสระแรงเท่าช่วงนี้แต่ช่วงนี้คือแรงอย่างเห็นได้ชัดว่าแบบหุดหิดง่ายจะเริญไม่ตาไว้ จเจริญเมตตานึกแต่สัตว์ทั้งหลายเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยนะึกจะ่บ่อยๆถ้าเพิ่มสมาธิขึ้นเนี่ยมันก็หายแล้วอยากให้หลวงพ่อแนะ่าหนูควรจะใจ<อ>นหนูมันยังฟุ้งนะเาั<ๆ>้นทำในรูปแบบไปทำไปสบายๆจะเอาอะไรเป็นวิหารธรรมสักอย่างหนึ่งก็เอาจะดูกายก็ได้เห็นหนั่งกายเคลื่อนไวหวใจเป็นคนดูก็ได้ จะดูใจก็ได้ใจเป็นสุขก็รู้ใจเป็นทุกข์ก็รู้ใจดีใจร้ายก็รู้นะหาบ้านให้มันอยู่เอา ก, กายเอาใจก็เอาสักอันนะดูแล้วแต่ถนัดเดี๋ยวมันก็ได้แรงขึ้นมาขอบคุณค่ะกับนตร ก, การหลวงพ่อเจ้าค่ะคือโยมเคยส่งกันบ้านเนมะื่อปีสองพันห้า้อยห้าสิบเอ็ดตอนนั้นติดแห้ ง, เ, งเจ้าค่ะ แล้วก็หลวงพ่อให้ไปดูการก็ตอนแรกๆก็ไปดูต่อมาก็ก็ดูก็เหมือนว่าดูไม่รู้เรื่องอะไรเนี้ยจ้ะค่ะก็ก็เลยพักไปอยู่ภาพเป็นปีนะคุณคะแล้วก็ตอนหลังก็คือสู้ขึ้นมาว่าต้องทําอะไรสักอย่างว่าจะไม่ทิ้งตรงนี้ไปก็ไปนั่งสมาธิอืปรากฏว่าไปฝึกนั่งสมาธิก็ยังก็ยังไม่ถูกเพราะว่าไปดูลมหายใจก็ยังก็ยังทําไม่ได้ แต่ว่าเหมือนได้หลังจากนั้นเน่ะเหมือนได้ของแถมมานะเจ้าค่ะคือว่าจิตเวลาฟังธรรมะหรือว่าคิดถึงเรื่องธรรมะอ่านหนังสือธรรมะเขาจะมีคําหุดออกมานะเจ้าค่ะโยมขอขมาหลวงพ่อช่างมันปะไรอ่ ะ, ะ, ะจิตมันทํางานให้เราดูเราก็ดูมันไปเจ้าค่ะรู้สึกไหม ว, ว่าตอนนี้กับแต่ก่อนนี้ไม่เหมือนกันเจ้าค่ ะ, คะเห็นความเปลี่ยนแปลงไหมเมื่มอ เเมื่ออาทิตย์ที่แล้วโหลดของคุณมารีมาฟังนะเจ้าค่ะแล้วก็คุณมารีบอกว่าให้ไปดูเข้าใจว่าน่าจะยูทูปวิธีการเดินจงกรมนะคะแล้วก็วันศุกร์เนี่ยค่ะเจ้าค่ะที่โยมเดินฝึกเดินมาเปลี่ยนเปลี่ยนวิธีการเดินนิดหนึ่งตรงจุดหยุดมีความรู้สึกว่าตรงนี้ค่ะเจ้าค่ะที่จิตเปลี่ยน ตั้งแต่วันศุกร์เสาร์แล้วก็วันนี้ค่ะยังยังคงอยู่ค่อยๆฝึกไปนะขันมันจะค่อยๆแยกออกใจมันเริ่มตั้งมั่นขึ้นมาเด็กค่ะคือโยมทําถูกแล้วนะจ๊ะค่ะถูกแล้วเด็ค่ะต้องทําอีกคือโยมต้องต้องเดินถ้าเดินได้ก็เดินนะเดินค่ะคือโยมเดินแล้วยโยมก็เห็นจิตที่เขาเขาคิดนั่นแหละจิตเขาไหลไปนะจะ๊ะนั่นแหละเ ด, ด, ดินนั่นแหละดี เนี่ยค่ะเราอย่างท่านนั่งสมาธิบางครั้งท่านนั่งบ้างเนี่ยดีย๋ยวเมื่อกี้ฟังหลวงพอ่อท่านนั่งลักษณะแบบเนี้ยพอไปได้ในเจ้าค่ะนั่งยังไงนะนั่งสมาธินะคะนั่งฟังหลวงพอ่อแล้วก็แล้วก็จะรวมในเจ้าพาะนั่งอย่างตอนนี้หรือโยมไม่ค่อยแน่ใจนะคะว่าเหมือนตอนนี้ป่ะคือเวลานั่งฟังโยมจะทําจิตแบบสบายๆนะคะจิตเขาก็จะรวมเจะรว ม, <ำ>รวมไปทำทำให้ดูซิ เครียดไปหรือเปล่าต้องสบายกว่านั้นอีกค่ะอาจ อ, อาจจะเครียดนิดเลยค่ะนั่นนะมัคะเครียดไปเพราะว่ามีมีบางครั้งที่บ่อยนะคะที่ชอบฟังซีดีหลวงพ่อแล้วก็จิตเขาก็จะรวมไปแล้วเขาก็จะไปสว่างเขาจะโล่งนะอย่างนั้นแหละมั น, เ, นมเป็นสมาธนะิจริงจริงเป็นสมเป็นสมถะนะใชค่ะได้สมถะใช่ค่ ะ, าคะการบ้านที่ทําต่อนี่นะคะ การบ้านขอการบ้านที่จะต้องไปทําต่อเดินไปสินะเดิแล้วจิตไหลไปแล้วรู้ทันรู้บ่อยๆต่อไปมันก็จะเห็นร่างกายมันเดินจิตเป็นคนดูและกิเลสอะไรแปรปรวนพวกมันก็เห็นไปหมดอ่ะนะเจ้าค่ะทั้งๆในรูปแบบกับในชีวิตประจําวันด้วยใช่ใชถ้าเราฝึกในรูปแบบด้วยการเดินนะมัน<ช><ๆ>อยู่ในชีวิตประจําวันก็ง่ายแล้วล่ะ ใ, ในชีวิตประจำวันเราก็เคลื่อนไหวไปมาจิตหนีไปคิดเราก็รู้ร่างกายเคลื่อนไหวเราก็รู้ มันจะเป็นอันเดียวกันได้ต่อไปค่ะโยมก็สังเกตเห็น เ, เดินเดินอยู่สติเราก็มาเราก็รู้ว่าเราเดินเออตั้งอย่างนั้นนะคะเริ่มมานะจ๊ะ อ, อย่างนั้นได้ถูกกันสาธุเออส่งกลับบ้านกันครบแล้วนะครับสิบสองท่านาในช่วงท้ายนี้ก็จะขอการเป็นตัวแทนทุกท่านในศาลาลุงเชียงห่นนี้กล่าวคำถวายทาน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 ปิจิตังปฏิตังตุมหังคิปปเมวาสมิชฉตุสพเพภูเรนตูสังกปาจันโทปนรสโสยถามณีโชติระโสยถาสัพีดีโอวิวัตชันตุสัพโรคโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่กายุโภวะอภิวาทนาสีลิสนิจจังุทาป จ, จายโน ชตาโรธรรมาวันตีอายุวันโนสุขังภะลังสาธุภาวนานะภาวนากันโลกมันทุกข์ได้พ้นพ้นมันไป